ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องภูมิส1อโดยท่านพระโพธิรักณพุทธสถานแดนอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้เราจะไปเข้าใจแต่เพียงบุคลาธิฏฐานเราก็จะไม่มีวันที่เราจะ ได้รู้ปรมาจารย์แน่เพราะฉะนั้นจะต้องรู้จิตในจิตและรู้เวทนาในเวทนาตัวากายก็เป็นกายในคือเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่ข้างในของเราเป็นจิตเป็นรูปของจิตรูปเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะวัดขนาดว่ากายนี้โตนักหนาเป็นความดินน้นรนเป็นความเดือดร้อนเป็นความอยากใคร่อ่าอยู่อย่างมากมายจัด หรือแรงเราก็จะได้รู้ชัดว่าเนี่ยรูปมันจัดมันแรงมันร้อนมากมันทุรนทุรายมากก็จะได้เห็นได้ชัดถ้าผู้ใดรู้ได้ในกายอย่างนี้เวทนาอย่างนี้จิตอย่างนี้รู้จิตของมันรู้ลักษณะของมันอย่างนี้ชัดแล้วก็แบ่งแยกธรรมออกไปเพราะจิตอย่างนี้ยังเป็นอกุศลธรรมยังเป็นจิตที่ต่ําเป็นภูมิตม่ําเป็นสิ่งที่จะต้อง ทำให้มันกลับคืนซิให้มันลดลงอย่าให้มันเป็นจิตชั่วอยู่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเลื่อนภูมิการเลื่อนภูมไม่ได้เลื่อนอะไรมากมายเลื่อนภูมิอย่างนี้ทักจิตของเราให้มันสูงขึ้นทักจิตของเราให้สูงขึ้นก็ไม่ได้ไปยกไปยอ่ออะไรมันขึ้นไปจากไหนไม่ได้จับให้มันขึ้นบนันไดแต่ว่าให้รู้จิตแล้วก็ไปยาำลด กำลังของจิตที่มันมีความจัดความแรงความกล้าความดิ้นรนที่มันทุรนทุรายหรือว่ามันที่ยังอยากใคร่ยังหนักยังกล้าอยู่นั้นลงมาให้มันเบาลงสักบ้างให้มันจืดให้มันจางให้มันคลายอย่างนี้เรากว่าเราเปลี่ยนภูมิลดภูมิถ้ามันหมดได้เลยไม่มีความอยากใคร่ยิ่งดีใหญ่ยิ่งดีใหญ่เพราะเราลดลงมาได้บ้างเราก็ตายสภาพขึ้นมาได้เรื่อยๆ สูงขึ้นเราใช้ภาษาสมมติแทนว่าสูงขึ้นนี่เป็นลักษณะของจิตหรือภูมิของเปรตอันหนึง่งลักษณะของอสุรกายมันเป็นความไม่ปลังพร้อมเป็นความไม่กล้าเป็นจิตที่มันตัดสินก็ไม่กล้าตัดสินจะกล้ากระทําสิ่งใดลงไปโดยที่เรียกว่ายัางเข้าใจ แจ่มชัดมันก็ยังไม่กล้าลังเลอย่อยางนั้นแหละเรียกว่าจะกล้าทำดีก็ไม่กล้าทำจะทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ว่ากับทำไม่ลงมันยังอ่อนแอมันไม่ตั้งเพราะมันไม่แข็งแรงนทนไม่ได้ฝืนไม่ได้เรียกว่าจิตของอสุรกายพูดที่จริงก็คืออินทรีย์กับพละ มันยังไม่แข็งกล้าเลยนั่นเองตรงตัวเ ป, ะเปะ๊เปะๆก็คืออินทรีย์กับภะระมันยังไม่แข็งไม่กล้าที่ไม่แข็งไม่กล้าก็เพราะเหตุว่าตั้งแต่สัพพาไปจนกระทั่งถึงปัญญาสัตาวิรยิยะสติสมาธิพะระไอสมาธิปัญญาเรียกว่าอินทรีห้าหรือพะระห้ามันไม่พรั่งเพร้อมมันยังไม่บริบูรณ์เข้าใจก็ยังไม่มีความเข้าใจทั้งพร้อมศรัทธาเชื่อถือก็ยังไม่มั่นคง ความวิริยะผากเพียงก็ยังไม่มากสติที่รู้สดใสคุมอยู่ที่ประจงแจ้งอยู่ก็ยังไม่เก่งไม่กล้าจิตก็ยังไม่มั่นไม่คงสมาธิก็ยังไม่มั่นไม่คงนั่นเองจึงเป็นจิตที่อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าทําอะไรก็ไม่ได้ในนี้ก็บอกว่าสัตว์ที่ไม่มีความสนุกมันจะไม่สนุกยังไงก็ไม่รู้นะก็คงจะไม่สนุกแล้วมันทอะไรก็ไม่ได้สัตว์นรกหรือจิตที่เป็นนิรยภูม ที่บอกตรงตัวเลยจะเป็นอาการอย่างใดก็ตามแต่ที่มันเศร้าหมองหมนหมองทุกทนหมห่นไหม้คือรวมความอะรวมความมันทุกทนหมห่นไหม้มันเศร้าหมองได้ความเร่าร้อนดินน้นดนหรือว่ามันไม่กล้าจะกระทําหรือว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ที่อินทรพราหมณมันไม่ให้ทํานี่แหละมันก็ยังไม่สมสมใจอยู่นั่นเองก็เรียกว่าเป็นสัตว์นรกรวมความอยู่ในนี้เป็นนิรยภูมิ มันแต่เราไม่รู้จิตของเราแม้แต่ลักษณะของมันว่ามันเป็นจิตที่ไม่มีความรื่นรมไม่มีความยินดีไม่มีความที่จะเป็นไปในทางเบิกบานอะไรมีแต่ความทุกข์ทุกทุทีนี้ก็บอกสัจที่ไม่มีความสุขอสัจที่ไม่มีความสุขถ้าเรารู้ได้ว่าจิตของเราเป็นทุกข์เราก็เปลี่ยนซะเราก็เปลี่ยนมาเป็นประโมทเป็นความยินดีพยายามเข้าใจลักษณะอาการที่มันแตกต่างกันของจิตว่าจิตที่มันทุกขทนหม่นไหม้มันเศร้าหมองมัน ไม่ยินดีปรีดาอะไรนะมันเป็นอย่างไรก็เปลี่ยนจิตมาเป็นยินดีปรีดาเบิกบานแจ่มใสสดใสปราโมทยินดีซึ่งเป็นสภาพของสวรรค์ก็ยังดีอ่าแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนจากสวรรค์มาเป็นนิพพานอีกทีนึงตามที่เราเคยพูดกันสเสมอๆ อ, อธิบายกันสเสมอๆ ม, มันก็จะเป็นการฝึกคิดดีที่จริงมารู้จิตจับจิตได้จับอาการจับอารมณ์ คนใหญ่คนไม่ค่อยรู้จิตตัวเองมันจะเป็นยังไงมันก็ครอบงําตัวเองไปหมดเลยมันจะหม่นมองมันจะโกรธมันจะเครืองมันจะโลภมันจะรักมันจะต้องการมันจะใคร่อยากอะไรอย่างไรก็ไม่ค่อยรู้ตัวตนไม่รู้จิตจิตจะเป็นตัวสั่งทุกอย่างแล้วมันก็บงการกายบงการวัตีบงการออกมาให้มันทำอย่างงนทําอย่างนี้โดยความที่สมในอยากสมในใคร่มันจะเศร้าก็ยังไม่รู้เลยว่ามันตกทุกตกนรกแท้แท้ในระยะูมิคือ สัตว์นิรยะภูมิจึงหมายความว่าตกนรกอยู่แต่แท้เศร้าหมองทุกทนหมนไหมอยู่แต่แท้ยังไม่รู้ว่าตัวเองตกนรกยังไม่รู้ว่าตัวเองเศร้าหมองหมนไหมเป็นไปได้วยความไม่มีแม้กษัวรรค์ก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่โลกเขาก็เห็นแจ้งแจ้งชัดๆตัวเองก็ยังไม่ยอมเห็นเนี่เรียกว่าตันรกแท้นิรยะภูมิแท้ใครๆก็เห็นใครๆก็รู้อยู่รู้ได้เห็นได้ชัดๆ อย่างนี้ถ้ามันออกแสดงออกมาทั้งข้างนอกนะแต่ถ้ามันไม่แสดงออกมาข้างนอกมันมีอยู่ข้างในเป็นจิตหรือเป็นภูมิจิตที่ยังมีความเศร้ามองมนมองแต่ว่ามไม่ได้แสดงออกมาทั้งข้างหน้าสีหน้าสีตาอะไรยังเรียกว่ายังสงบสงับยังคุมไว้ได้อยู่ก็เรียกว่ายังเก่งนคนอื่นไม่รู้ด้วยแต่ตัวเองก็น่าจะรู้ตัวเองได้สําหรับอาการของจิตอย่างนี้ นะส่วนภูมิที่สามถ้าภูมิที่สี่ที่เรียกว่าเดริชานนั้นก็คือความโง่ความมีโมหะมีอวิชชามากจิตที่มันยังไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งอะไรไม่รู้แจ้งจิตตัวเองนี่แหละเป็นสาคัญก่อนอื่นไม่รู้อารมณ์ไม่รู้รูปร่างไม่รู้รสของจิตไม่รู้อาการของมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงจับจิตยังไม่ได้ก็เรียกว่ายังโง่อยังโง่อยู่ เมื่อไม่รู้ก็ทําอะไรไม่ได้แก้ไขไม่ได้อย่างวานั้นแม้แต่จะตกทุกข์ได้ยากดูหมุนมองเศร้ามองโศกเศร้าอาดูอยู่อย่างไรนะเทวปริเทวนาการมีปริมีชรามรณะโสกะปริเทวมีความโศกมีโสกะปริเทวนาการคือคร่าครวนโอดโอยอยู่อย่างไรก็ไม่รู้มีทุกข์มีโทมนัส คืออาการของจิตอันที่เลยกว SO e. ่ามันเป็นไปในทางที lied, ours, où, ertos, ่ไม่ดีนั่นแหละโธมนัทเคยอธิบายให้ฟังแล้วมันเอียงไปข้างฝ่ายไม่ดีอุปาญาติก็ยังมีตั้ยติ่งต้ยติ่งกฤติพิไรอยู่อเป็นความทุกโศกนั่นเองเป็นฝ่ายทุกโศกมันก็ค่อยละเอียดเอียดขึ้นไปไม่รู้ได้เมื่อไม่รู้แม้กระทั่งทุกโศกก็ไม่รู้ก็เรียกว่าแก้ไขตัวเองให้พ้นทุกข์แม้แต่แค่นี้จากสวรรค์ก็ไม่ได้ก็อันนี้จากนรกก็ไม่ได้ก็ยังอยู่ในนรกอยู่อย่างนั้นเอง เพาะงั้นเราจะต้องเข้าใจอันนี้ได้แล้วก็รู้จิตของเราย่อมไม่ทําตนให้ตกนรกก่อนอื่นอจับจิตให้ได้ก่อนก่อนมันเป็นเอกเมื่อจับได้แล้วรู้รสของจิตรู้อารมณ์ของจิตโดยว่ามีวิจารณ์อจับจิตได้แล้ว่ามีวิตกเมื่อรู้รสรู้อาการรู้อารมณ์ของจิตโดยว่ามีวิจารณแล้วก็เปลี่ยนเสี้ยให้จิตมันเป็นปิติไปในทางป harma m o ดีนี่เป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งดังเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจยังโง่อยู่ยังโรงค้นๆลงๆตามสะาพของอำนาจกิเลสตัณหาข้างในมันบดบังมันให้เราต้องดิ้นรนอยู่ในทางสามแพร่งดิัราชานคือประเดี๋ยวก็เป็นนรกบางทีก็บรบหลือสมใจก็เป็นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเป็นนรกึ้นสวรรค์แล้วก็กลับมาเป็นกลางกลางเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นมันก็มุนอยู่ที่ส า, สามแฝงอย่งนี้ก็ไม่รู้อะไรได้สักทีนึงที่จริงอันนี้เขาเคยแปลกันว่าติดานเขาแปลกันว่าคือเป็นจิตที่มันขวางทางนิพพานเขาก็แปลแต่นี่ไปเอาเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเลยว่าสัตว์ที่เดินขวางโดยบ่ายหน้าไปสู่ข้างล่าง เขาเขาเขาแปลกันเป็นตัวสัตว์อย่างนั้นเลยอ้าวก็เอาแล้วก็ยังบอกอยู่ด้วยว่าที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ซะด้วยนะเห็นซะด้วยนะคือได้แกสัตว์เดรัจฉานต่างๆนี่เป็นตัวของทางบุคลาธิฐานแท้นะก็เข้าใจเข้าไปกันแล้วกันเราก็ไม่ว่าอะไรนะเราก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรสงสัยทราบความเข้าใจให้ได้ว่ามันก็ไม่น่าสงสัยอะไรมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะน่าสงสัยอะไรหรอกมันก็เป็นจริงนะก็เห็นได้แต่ว่าเขาจะแยกมาเป็นบุคลาธิสารให้เห็นชัดให้เข้าใจเที่อเชได้ ที่เป็นภูมิต่ําที่สุดที่เราจะต้องรู้ก่อนอื่นถ้าเราไม่รู้ภูมิต่ํานี้แล้วเราก็จะหนีจากทุกข์ไม่ได้เป็นจุดแรกเพราะว่าการพ้นทุกข์ของศาสนาพุทธนั้นให้รู้จริงๆให้รู้อบายจากภูมิให้รู้อบายจากภูมิซ ะ, ะก่อนแล้วก็เหนือขึ้นมาจากอบายติดอบายได้จริงไม่มีจิตของเราที่จะไปโดยที่เรียกว่า ไปสู่สภาพที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์อสุรกายอย่างนี้ติดก่อนแม้เราจะเป็นเปรตอยู่แม้เราจะเป็นเปรตอยูอ่เรียกว่ากูยังมีความคร่ความยากยังหลงในกามยังหลงในโลกกระทาอื่นอยู่บ้างก็จะเหลือเปรตเท่านั้น ที่จะพึงเป็นผู้ที่จะผู้ย่างสัพท์สํานวนของสมัยธรรมดาเขาก็เรียกว่าขอส่วนบุญบุญคืออะไรบุญคือการชําระขอส่วนจะบุญก็คือขอให้ได้ชําระกิเลสของตัวเองออกมาให้ได้สูงขึ้นจากเรลไปอีกเพราะฉะนั้นสัตว์สามชนิดนี้ต้องทําให้ได้ก่อนให้พ้นโมหะคือพ้นจากความโง่จับจิตให้ได้ เมื่อรู้จิตได้แล้วก็จะรู้ว่ามันทุกข์เป็นสัตว์นรกเมื่อรู้ว่ามันทุกข์เป็นสัตว์นรกก็พยายามเปลี่ยนจิตให้เป็นหรือรู้ว่าสัตว์ที่เป็นอสุรกายคือตัวเองจิตตัวเองมันเป็นจิตที่มันไม่กล้าจะทําความดีหรือมันไม่กล้าที่จะถ้าจะผ่านขึ้นไปหาจิตดีมันก็ไม่กล้าทำมันมันก็ทําอยู่แต่ในตัวที่ว่าเมื่อเวลามันไป อยู่ในภูมิหรือว่าอยู่ในที่ที่เป็นอบายอย่างโลกอะไที่ว่าไปอยู่ในอบายยมุกต่างๆเนี่ยมันก็ไม่กล้าทนไม่กล้าฝืนไม่กล้าทําดีไม่กล้าที่จะภาคเพียรอดทนกระทําเพราะฉะั้นจิตอย่างนี้จึงเลยว่ามันไม่มีกําลังเลยมันไม่มีสิ่งที่จะพยายามใฝ่ดีไม่มีวายามะไม่มีวิริยะอะไรก็ไม่มีทางที่จะได้พุทธ ด, ด้เกิดสูงขึ้น ไม่มีทางจะผลิตเกิดสขึ้นเพราะว่าเราก็จะต้องหลงกระทาแต่ในสิ่งที่กติดตระยึดอยู่นั่นเองจิตตัวนี้จึงสําคัญเพราะเราจะต้องทำให้ขึ้นีมันได้แต่ก่อนขึ้นมันได้ให้มีสมาธิิแล้วก็พยายามภาคเพียรเมื่อเวลาเรากล้าทําความดีเราก็จะพยายามมันก็จะทําให้มรามีอานิสงส์ล้างจิตที่เป็นเปรตคือความอยากที่เคยมีมันอยากอยู่และ ในขณะที่เราเริ่มกล้าทาเมื่อใดเมื่อลงมือกล้าทากล้าฝืนกล้าอดกล้าคมมันก็จะต่อต้านกับกจิตตัวเป็ดจจิตตัวอยากจิตตัวปรารถนาดิ้นรนมันก็จะสู้กันจะต่อต้านกันเองแล้วมันก็จะค่อยลดลงเพราะงั้นเมื่อเรากล้าเป็นสุระไม่ใช่อสุระไม่ใช่อสุราเป็นสุระเป็นความกล้าแขงภาคเพียรขึ้นมา มันจึงจะไปดับสุเปรตตัวนั้นได้มันแม้แต่ปุกาทิฐานหรือว่าในโลกของธรรมดาของโลกที่บอกว่าอบายมุขต่างๆถ้าเราจะทำอย่างนี้เราถึงจะพ้นอันนี้คือมันได้เป็นโสดาบันบุคคลได้แต่ในเรื่องของจิตโดยตรงแล้วก็โสดาปฏิมักจิตโสดาปฏิผลจิตในขณะที่ฟังไปเนี่ยกกรู้แล้วรู้ก็รู้แล้วเข้าใจได้แล้ว ว่าเป็นโสดาปฏิมาขาจิตทีนี้เมื่ลเราไปทําให้จิตมันมนลุกมักผลขึ้นมาขณะที่ทําอยู่มันก็ปากเพียนอยู่เรารู้โดยแจมแจ้งมันมีพ้นวิจิตจฉานะเป็นโสดาอย่างชัดเจนเป็นโสดาบันด้วยก็ได้แล้วเราก็ไปทําที่จิตของเราตรัดจิตให้ถูกนะถ้ายังจับจิตไม่ถูกก็ต้อเพียงฟังก็เป็นแต่เพียงปรยิยัติก็มีแต่โสดาเฉยๆโสดายังไม่เขา้าเข้ารองครอยอะไรจะโสดาแท้ต้องไปจับจิตจริงๆ รู้จิตเจ็ดชัดนะอย่างนั้นถึงจะเป็นโสดาแทะอันในภูมิของอที่ต่ำที่สุดนี่ก็อธิบายว่าเตียงโทนิอันนี้ต่อภูมิขึ้นมาอีกภูมิอื่นเรียกว่าเป็นจิตที่ขึ้นสวรรค์มายังไม่ขึ้นสวรรค์ด้วยว่าภูมิกลางภูมิที่ห้าเรียกว่ามนุษย์ตะปูอ่ะมนุษย์ตะปก็มีอยู่ภูมิเดียวแล้วในนี้ก็บอกว่า มนุษย์ปูมคือสัตว์ที่มีจิตกล้าหาญทั้งในทางดีและทางชั่วได้แก่คนเรานี่เองนี่ก็อาธิบายเป็นเป็นปุกลาทิฏฐานหมดเป็นตัวตนบุคคลเราเขาหมดเป็นส ม, มุติบัญญัติหมดบางๆ่ที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นหนังสือที่จะเรียนเป็นแบบอฏิธรรมหรือเป็นปรมัตา์แต่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้หมดไม่พยายามอาธิบายแต่ให้เห็นว่าเป็นสภาพอย่างไรจิตมนุษย์คือจิตอย่างไรจิตมนุษย์คือจิตกลางกลางและฝ่ายดี ผิดมนุษย์คือจิกางกลางแลวฝ่ายดีมนุษย์ท่านแบ่งภาษาออกไปอีกเป็นมนุษย์ทั้งหมดมันมีสามอย่างหนึ่งมนุษย์ชมพูทวีบมนุษย์ชมพูทวีบคือมนุษย์ที่มีใจเป็นกลางกลางและก็มีความพร้อมของกำลังจิต ความพร้อมของรูปและนามมีสติมันโตหมายความว่ามีสติพร้อมมีสุระพาโวหมายความว่ามีสภาพที่พร้อมทั้งรูปทั้งนามสติเป็นนามสุระพาโวโอมีรูปพร้อมพลังพร้อมพลังทีเดียวพร้อมลังไปด้วยความกล้าแข็งและ ก็เพราะความเป็นมนุษย์นี่เองจึงมีอิทจจริยาธมจริยวาโสอิทัพรหมจริยวาโสคือเป็นแดนณนะที่นี้อิทหมายคําว่าณที่นี้เองณนะที่นี้แหละจะเป็นที่ที่ประพุทธบรรลุพรหมจรรย์ได้เรียกว่าอิทัรหมจริยวาโส ไม่จะที่อื่นไม่จะแดนใดแดนนี้ณนะที่นี้อย่าไปหลงผิดเป็นอังขารจะขืนหลงผิดแล้วก็ไม่มีทางณนะที่นี้จะบรรลุได้เป็นสูงสุดเป็นพรหมจรรย์ทวนทั่วดันง น, นี่มนุษย์เรียกว่ามนุษย์ชมพูทวีปส่วนมนุษย์อีกอย่างหนึง่งเรียกว่ามนุษย์ อุตรากุรุทวีปอมนุษย์อุตรากุรุทวีปอที่จริงม า, มากกว่านั้นนี่มีหลายมีหลายหลายหลมนุษย์ก่านั้นมีสามสี่มนุษย์เดียวเดียวค่อยต่อเดี๋ยวค่อยต่ อ, อมนุษย์อุตรากุรุทวีปคือมนุษย์ที่ประกอบเป็นด้วยความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์นี่เขาแปลจากคําว่าอะมะโมหรืออะมะมา ที่จริงก็หมายขอว่าไม่ยึดจิตนั่นเองอะมะมะอะมะมาเนี่ยอะมะมะอะมะโมเนี่ยไม่ยึดจิตอ่อะปริคโหอะมะโมลอะปริคหคือไม่หวงไม่แหนปลดปล่อยไม่หวงแหนไม่ยึดถือแล้วปริคโหแล้วก็เป็นนิยตายุโพ เป็ น, นิยตอายุโกคือมีอายุที่แน่นอนมีอายุที่แน่นอนอมนุษย์อุตรกุรุเทีบนั้นก็คือจิตมนุษย์สะก็คือมะนะบวกุักมะนะก็คือจิตจิตมะนะบวกุสลจิตที่ได้เกิดแล้วเป็นแล้วอย่างดีถึงเรียกว่า ผู้มีใจสูงก็แปลเอาความก็ผู้มีใจสูงทีนี้เป็นมนุษย์อุตรากุรุตวีปเนี่ยก็คือจิตที่เป็นจิตอยู่ในสภาพของอพระอริยะพระอรหันต์อุตระมนุษย์อุตระกุรุทวีปก็หมายควมามว่านั่นแหละผู้อยู่เหนือ อยู่ในแดนที่เหนือกว่ามนุษย์ึุดไปอีกเรียกว่าเหนือโลกนั่นแหละแปล ง, ง่ายๆแต่ภาษามันแยะเขาตั้งภาษาขึ้นมาคนนั้นคนนี้จะเรียกเพี่ยนภาษาอะไรแต่อะไไปเพื่อที่จะทําความเข้าใจใหม่ให้แก่คนที่ว่าใช้ภาษาเก่ามันเซ็งแล้วเขาก็เปลี่ยนภาษาใหม่ไปแล้วแต่ว่าอาจารย์หรือว่าผู้ที่เข้าใจอะไรจะพยายามใช้ภาษามันก็มีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสภาวะก็มไม่มีอะไรก็คือจิต จิตนั่นเองมีสภาพหมดความหวงแหนหมดความยึดถือไม่ยึดถือไม่หวงแหนอีกแล้วไม่ช่วยเอาไว้ไม่เอาเป็นของของตนไว้นั่นเองจึงเป็นผู้ที่เรียกว่าอะมะโมคือไม่ยึดจิตไม่มีทุกข์เขแปลคำว่าอะมะโมว่าเป็นผู้พ้นทุกข์เป็นผู้ไม่มีทุกข์ก็จริง ว, ว่ามีแต่จิตรู้จักจิตเฉยแล้วก็ไม่ยึดตัวยึดตนบางทกีก็แปลว่าไม่ไม่มีไม่ยึดตัวตนอามโมแปลว่าไม่ยึดตัวตนอที่เรียกว่านิยตายุโกนั้นก็หมายความว่าคือสามารถที่จะให้จิตของเราเกิดและสามารถจะทําให้จิตของเราดับได้เองโดยความสามารถจึงเรียกว่าเป็นพูท กำหนดอายุให้แกตัวเองได้จึงเรียกว่าผู้มีอายุที่เที่ยงนิยตต์แปลว่าเที่ยงอายุอายุโกะแปลผู้มีอายุผู้มีอายุที่เทียเท่ยงเที่ยงแน่นอนตั้งมัน่นเพระั้ผู้ใดที่สามารถควบคุมจิตตัวเองได้ควบคุมจิตตัวเองให้โดดให้ดับได้ลุกกลุงได้ ปรุงได้แล้วก็หยุดปรุงได้ปรุงให้จิตตัวเองปรุงไปเป็นปุญญาพิสังขารเป็นวิสังขารอันใดมีวิชามีปัญญาแท้ควบคุมจิตตัวเองจะให้มันเกิดท่านก็เป็นผู้ให้เกิดเองเจ้าของจิตนั้นเป็นผู้ให้เกิดเองจะหยุดจะดับจะให้จิตนั้นหยุดเกิ ด, ดไม่ปรุงไม่สังขารหมดสังขารเมดดื่อใด ก็เป็นผู้ให้กระทําเป็นผู้กระทําให้แก่กิจของตัวเองเองจึงเรียกว่านิยตายุโกต้องเข้าใจอายุอย่างนี้ให้ได้ไม่ใช่หมายเขาเป็นอายุเป็นผู้มีอายุที่เที่ยงแล้วก็ยิ่งมันย้ายกันเป็นในบุคคลตัวตนเราเขาอะไรไปเลยก็เลยกลายเป็นกอดไปเลยอายุที่เที่ยงกลายเป็นกอดไปเลยกลายเป็นพระเจ้าไปเลยนะก็ได้จะเอาอธิบายเลยว่าพระเจ้าไปเลยก็ได้นะแต่พระเจ้าก็ไม่มีตายนะ นี่ก็เรื่อมันไม่ตายก็ได้เขาเป็นอมะตะนะนั่นก็เป็นภาษาเดี๋ยวมันจะวนไปคนไม่เข้าใจเลยยิ่งันใหญ่อันนี้เรื่องของมนุษย์โสสองชนิดทีนี้มีมนุษย์อีกสองอย่างนะที่เขาเรียกเหมือนกันกข า, กาอธิบายแต่ไม่น่าจะเรียกว่ามนุษย์เพราะว่าเป็นพวกที่ยังเ อ, อติดยึดอยู่ยังใจยังไม่สูงแท้แต่ถ้าเปิดว่ารู้เท่าทัน เราก็เรียกมนุษย์ได้ถ้ารู้เท่าทันเราก็เรียกมนุษย์ได้ถ้าไม่รู้เท่าไม่รู้ทันก็เรียกว่ายังไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริงมันยังถูกสภาพจิตยอย่างนั้นมันกินตัวอยู่คือมนุษย์ปุพพวิเทหะทวีปกับมนุษย์อัประโคโคยานทวีปมนุษย์ปุพพวิเทหะ ทวีบก็คือยึดที่มันไปนยึดอดีตผูพระวิเทหะไปยึดอยู่ที่อดีตแล้วก็เอาอดีตนั่นแหละเป็นแท่งเป็นก้อนฝังมั่นอยู่อย่างนั้นวิเทหะหมายความว่าเป็นรูปเป็นร่างอย่างยิ่งเทหะแปลว่ารูปแปลว่าทรงแปลว่าแท่งแปลวก้อนอะไรก็ได้เทหะวิเทหะแปล ว, ว่าอย่างยิ่ง ทรงไว้อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างยิ่งบุพเะไปว่าเก่าก่อนจิตมันไปยึดไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องก่าเรื่องก่อนเรื่องอดีตและก็ทรงไว้ยึดไว้อย่างยิ่งอยู่อย่างนั้นแหละโดยที่เราว่าทารู้ตัวก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ถ้าไม่รู้ตัวไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตของตัวเองไปยธ์อยู่อย่างนั้นก็ถูกอดีตมากิน มันก็ปลุงก็แต่งจะเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จะเป็นสุขก็เป็นสุขไปตามมันเรื่อยเปิดเปิดไปเรื่อยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ยังมีปรุงโดยไม่รู้ไม่เป็นมนุษย์ที่แท้ถ้ารู้แต่ว่าก็ยังอดไม่ได้ก็ยังเรียกว่าเรากาลังอินทรีย์เราไม่กลา้าเราตัดกิเลสกันหานั้นหยุดมันไม่ได้เลิกมันไม่ได้วางมันไม่ได้แต่ถ้าผู้ใดเลิกได้ด้วยวางได้ด้วยไม่เอาภาระากับเรื่องของอดีตเข้าใจแท้ทวนตัวไม่ให้มันมมีฤทธิ์เหนือเราเลยเราไม่ผูกไม่ยึดไว้ ไม่ปูกไปยึดไว้เลยนะแล้วก็ไม่ไมาเอามาเป็นภาระไม่มีจริงไม่มีจังหังนั้นได้หัวนั้นก็สบายก็ไม่เป็นมนุษย์อย่างนี้เพราะงั้นมนุษย์อย่างนี้เค้าก็ไม่ได้เอามาอธิบายกันไว้ในนี้ก็ เ, เอามาระดับของมนุษย์สองอันนี้มาพูดกันมากมนุษย์อัปละโคยานมนุษย์อัปละโคยานก็คือนักเพอ้อจิตที่มันเอาแต่เพ้อแต่ฝันสร้างอนาคตไปเรื่อยไปอัปละมาเป็นละเประโปรไปเรื่อยเลย ไม่มีหยุดไม่มีหย่อนในอื่นไม่รู้มีแต่สร้างทางที่มันจะต่อไปหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปเลยอัปปะโคยานเป็นผู้ที่หลงในจิตทวะตัญหาสร้างพบสร้างชาติหม่เรื่อยไปเรื่อย จิตใจที่มันสร้างพบสร้างชาติต่อไปเรื่อยคิดเพอ้อคิดบุนคิดก่อคิดสร้างคิดทำคิดโ น, น่นคิดนี่ไปในถึงด้านข้างหน้าเรื่อยไปจิตอย่างนี้มันก็ไม่รู้จักจบไม่รู้จักหยุดจึงเรียกว่ามนุษย์อปรรคยานทวีปนี่จิตของมนุษย์ในนี้ก็ไม่อธิบายไว้นะั่นี่อธิบายเพิ่มเองนี่เป็นภูมิของมนุษย์เขาอ่า ทีนี้ก็ต่อมาภูมิของเทวดาภูมิที่จริงอะเทวดาภูมิั้งนั้นเราก็พรหมก็เทวดาแต่ที่หลังนี่เขามาตั้งชื่อเรียกกันในพระไตรปิฎกไม่เคยเห็นว่าเรียกเขาพรหมวัดเทวดาอะไรเรียกแต่พรหมก็ปเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าละเขาตั้งอย่างนี้ก็แยกแยะมาก็เอาเพราะว่ามันก็มีสภาวะที่จะแยกกันได้เหมือนกันแหละมีอีกหกภูมิสําหรับเทวดาภูมิเริ่มต้นตั้งแต่จาตุมหาราชิกา จะตตุกหรือจะตุกก็ตามใจแปลว่าสี่จะตุกหรือตาตุกมหาราชิกามหาก็แปลว่าใหญ่ราชิกาก็แปลว่าเจ้าแปล ว, ว่าราชาจะตุกมหาราชิกานี้เป็นภาษาเรียกจิตที่มันไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ตะวันออกไม่รู้ตะวันตกมันจะใหญ่ตะพุดมันจะใหญ่ตะพุด ละความหลงในโลกทั้งสี่ทิศโลกกระทำทั้งสี่ทิศก็คือลาบยศสันเสริญสุขหลงในสี่ทิศมันจะเป็นใหญ่ลาบมันก็จะเป็นใหญ่ยศมันก็จะเป็นใหญ่สันเสริญมันก็จะเอาใหญ่สุขมันก็จะเอาใหญ่ทั้งนั้นในนี้ก็อธิบายเป็นปุคลาธิฐานหมดได้แก่ที่อยู่ ชาตุมหารดตราชิกาได้แก่ที่อยู่ของเท้ามหาราชสี่องค์เป็นชั้นที่สองจากมนุษย์ตั้งอยู่ระหว่างเขาสิเนรุออยู่นี่เองตั้งอยู่ระหว่างเขาสินเนรุเป็นสถานที่ของเทวดาจําพวกหนึ่งที่เท้ามหาราชทั้งสี่เป็นผู้ปกครองแต่สัตว์ที่อาศัยเขาสิเนรุก็มีหลายจําพวกเช่นนาครุตกุมพันธ์ยักษ์เป็นต้นนะ หวานเลยนะโคตรกุมพันยักษ์พวกนี้หวานเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวจะอธิบายในอสติวัานอธิบายไว้ละ เ, เอียดคนนี้แย่นะเทวดาทั้งสี่ ม, วสวรรมีชื่อว่าเวสวันโนหนึ่ ง, งมีชื่อว่าวิลุนปักหนึ่งสองมีชื่อว่าวิลุณหกสามมีชื่อว่าทะตารสสี่นะพระเวสวันโนเนี่ย ก็คือพ่อค้าร่ำรวยลาบเวสส์แปล ว, ว่าพ่อค้าเวสั์วันโนก็แปลว่ารูปปลาผิวอ่าเป็นเครื่องที่สังเกตได้ง่ายเห็นได้ชัดเป็นรูปเป็นผิวก็เป็นพ่อค้าเป็นเศรษฐีคนรำ่ำรวยจึงเรียกว่าท้าเวสสุวันโนหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าท้าธนาบดีเทพธานา บ, บ, าาานาบดีเทพอีกชื่อหนึ่งก็เรียก คนนี้มีชื่อหลายชื่อเท้าองค์นี้มีหลายชื่อแต่ชื่อที่สําคัญที่สุดก็คือเท้ากูเวนกูเวนนี่แปลว่ามหาบาปเป็นคนที่บาปมากบาปหนักกุก็แปลว่าบาปเวระก็แปลว่าบาปเวนนี่แหละแปลว่าบาปแปลว่าความหยาบความต่ํากูก็แปลว่าหยาบแปลว่ า, วาต่ําเวนก็แปลว่าหยาบแปลว่าต่ำเท้ากูเวนคนที่ยังมีบาปคนที่ยังมีความตำ่ำ ไม่เด็เป็นเท้าเธออะไรมาอะไรหรอกนาเป็นยักษ์เราดีๆนี่เองจะกินก็ตะพึดยักษ์นะเท้ากูเวนนี่แต่ทีนี้ก็ไม่รู้กันมาอธิบายเป็นอะไรอะไรแล้วก็เป็นหลงจนกระทั่งพูดไปจนกระทั่งว่าเห็นว่าใช้คําว่าเป็นเทวดาเป็นชั้นเทวดาขคาอธิบายก็ว่าเป็นชั้นเทวดาเท่านั้นแล้วก็เลยบอกว่าเอ๊ะเป็นยักษ์ไม่ได้ที่จะต้องเป็นสัตว์ที่จะต้องยกย่องสูงส่งแท้จริงมันไม่สูงมันสูงมาแค่แค่นี้มันก็ยังปไม่สูงอะไรมากมาย สองา์ตะปูได้พ้นภูมิของอบายภูมิมาแล้วแล้วอย่ามาหลงเสพถ้าไม่มีชั้นขึ้นเหนือขึ้นมามาเป็นเทวดาแล้วเนี่ยแล้วก็ให้อธิบายเลื่อนชั้นนี้ออกมาด้วยนะไม่ได้เพต้องให้เขาเลื่อนชั้นมาอ้าวเธอเอ้าวมีลาบเป็นโสดาบันเนี่ยที่ว่าเนี่ยโสดาบันขยันมันเพียงก็อ้าวมีลาบมียศมีสรรเสริญอะไรก่อนไม่ว่าทีนี้พอมาเป็นโสดาบันแล้วยังยังมีความบาปยังมีความตัา มีความบาปความต่ําอยู่เป็นคนเออเป็นสภาพที่ยังว่ายังหลงจิตที่ยังหลงลาบชัดๆก็คือจิตมันยังบาปอยู่เท้ากุ้เวงก็คือจิตที่ยังบาปอยู่ยังเป็นยักษ์เป็นมารยังไม่ดิบดีอะไรนะเพราะฉะนั้นจะต้องรู้จิตของเราให้ได้ว่าสิ่งที่ได้อยู่ได้สมใจอะไรของเราอยู่เป็นทรัพย์สมบัติมหาศาลเป็น ธะบดีต่างๆเป็นทนทรัพย์อะไรสมบัติต่างๆเนี่ยก็จงให้รู้จากการแจกจ่ายถ่ายทอดทำทานอย่าทำตัวเป็นคนยังบาปยังต่ำอยู่ยังทำเป็นกุกเวระอยู่ไม่เอาอถ้ารู้ถ้าไม่รู้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่มีสมาธิฏฐิเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จิตของตัวเองว่าตัวเองรวยลาบรวยยศอะไรจะได้อยู่มีลาบม า, มากๆไม่ๆ มีทรัพย์สมบัติมหาศาลมีทรัพย์สริงคารอะไรมากมายเนี่ยแล้วก็ยังหลงตัวว่าเป็นเทวดาแท้เป็นคนดีคนดีมันก็หลงตั ว, วเป็นคนดียังหลงตน ว, ว่าตัวเองนี่มีจิตที่ดีจิตที่เราสั่งสมลาบเป็นของเราสุดจริตอะไรก็ตามแต่ยังเป็นจิตที่โลภมากในลาบในทรัพย์สริงคารอยู่ก็ยังนึกว่าจิตนี้ไม่ผิดจิตนี้ยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่ถ้าพู้เราเข้าใจอ ย, อย่างนี้ก็จะว่ายังไม่ถูก ยังไม่ถูกยังเป็นกุวเวระยังเป็นบาปเป็นความต่ํายังเป็นผโพธิยังชั้นหยาบช้ากุกก็แปลว่าหยาบช้าเวระนี่ก็าแปลว่าหยาบช้าแปลว่าบาปนะยังเป็นยักษ์อยู่ยังจะกินอะไรท้องโ ต, โตโตยักษ์ในปากใหญ่ๆกว้างๆท้องโตโตนะท่านอธิบายให้ฟังนะเปลียนไม่ฟังเป็นท้องโตโ ต, โ ต, โ, ตโตใหญ่ๆกินไม่รู้จักอิ่มปากกว้างคาบงับเอาของเข้ามาเรื่อย ไม่รู้จักจุดจอดยักษ์เนี่ยจึงเรียกว่าเป็นเก้าแห่งยักษ์เขาอธิบายเป็นปกรกชญาที่ถามก็ทูกถู ก, ถกแต่ไม่รู้สภาพความเป็นจริงก็ได้ว่าตัวจิตอยากอย่างนี้แหละไม่รู้จากหยุดไม่รู้จักพอจะข้าวจะกินจะเอาจะกอบจะโกยขม่มขู่คนอื่นข่มเหงคนอื่นเดียดเบียนเขาสะพุ่งตะพือมีไม้กระบองเป็นเออไม้กระบองศักดิ์สิทธิ์ก็ด้วยตีเขาเอาตีเขาเอา ถ้าบุได้รู้จิตของเราเป็นอย่างนี้ก็จะต้องพ้นจากคำว่าหลงราบหลงทรัพย์เริงคารมาให้ได้วิรุณปักวิรุณปักนี่แหละหลงยศหลงยศและหลงราบด้วยวิรุณปักนี่วิรุณวิรุณแปลว่ามันวิรูปปักวิรูปปักอย่าเพิ่งบวกคำว่าวิรูปปักก็คือวิรูปนั่นเองวิรูป วิรูปคือรูปประหลาดลพิการทีพิการเพราะอะไรที่ผพิการก็เพราะว่าเสพมากเสพอารมณ์มากกินมากนอนมากพุงออกโยร่างกายปิดประหลาดคนไป ร่างกายติดประหลาดคนไปเนี่เรียกว่าพวกวิตุนปักลงในตําแหน่งลงในยศศักพวกนี้เขาเรียกว่าพวกกุมพัน์กุมพันทะถ้าแปลไปตรงๆแล้วขยายความลูงเนื้ออัดถาลงมาแล้วน่ากลัวกุมพันทะแปลว่าผู้ที่มีอันทะโตเทมอกุมภะแปลว่าหมอ่มหมอ บวกอันทะก็แปลว่ามีอันทะโตเทม อ, อเป็นพวกที่หลงในกามคุณอะไรต่ออะไรมากมายหลงชั้นฐานะไอความใหญ่ของตัวเองแล้วก็เอาไปเซฟกามอย่างหนักเป็นยักษ์ประเภทหนึ่งไม่รู้จักจุดจักพอเหมือนกันแต่ยักษ์ตนนี้น่กกลัวนักเกลียดด้วยรูปร่างกับพิกนพิการ ก็เราจะไม่พิกลพิ ก, กา ย, ยัางไงเลาขนาดรูปร่างกันธา่าโตท่มอแล้วก็ไม่ไม่ไหวแน่และเห็นแล้วก็ต้องวิ่งกันแน่แล้ะมันต้องพิกลพิ ก, การขนาดหนักละอันนี้เป็นภาษาของเขาแท้ๆจริงๆไม่ได้ไปเบี้ยวภาษาอะไรของเขาหรอกในนี้ก็ก็บอกไว้นี่มีนาคมีครุฑมีกุมภันธ์มียักษ์นแน่ๆไม่ประหลาดอะไรเลยอ่พวกนี้หลง ที่ท่านยกยกตัวอย่างว่ามีอันทะโตธรรมอก็คื อ, อยังหลงในกามหลงในกามมากเปรียบเทียบเหมือนคนมีอันทะโตโทรมอฟังแล้วก็น่ากลัวน่ากลัน่าเกลียดด้วยถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็จะหลงยินดีทั้งนั้งที่ท่านอธิบายนี่นะพยายามจะชักจูงแต่ภาษาจะก่อนสมัยก่อนเขาเขารู้เขาก็คนรู้คนผองเขาฟังเขคนรู้คนพอ ง, ง, อ ง, อพองเหมือนเดี๋ยวนี้ที่ผมกําลังขยายให้ฟังตรงๆเนี่ยเอามามท่านตําแหน่งวิรูปปักจุบันเอาไห ก็ไม่เอาเพราะว่าเข้าใจสาระอัตถะแล้วมันก็มีหลักมีฐานอิงอย่างเนี่ยมีภาษาอ้างอิงอย่างเงี้ยทันก็เลยบอกว่ายักษ์ก็ไม่เคยกลัวนึกว่าตัวเองอยากจะเป็นยักษ์เป็นจตุมหารัยิกาะจะเป็นพวกจอมยักษ์คุ้มพันธุ์อีกกว่าไม่ไหวเลยทีนี้เป็นพวกวิรุณหกวิรุณหกก็หลงหมดเลยลาบยศสเสริญน่หชอบไปเขายกย่องชูเชิดลอยฟ้าวิรุณหกก็แปลว่าพวกสัตว์นก พวกบินพวกลอยพวกบินพวกลอยพวกสูงลอยลงชอบไปเขาชูเขาเชิดจึงเรียกว่าวิรุฬหอนี่เขาเรียกปวกครุดถ้าเขาชูเขาเชดใหญ่ขึ้นเป็นครุดเลยก็จอมครุดเลยเรียกว่าจอมครุอจอมครุดยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ครุดมันก็สัก ร, ร้ายนะไม่ใช่สัตว์ดีหรอกเล็บเดี่ยวปากทั้งปากทั้งเล็บสัก ร, ร้าย ยกย่องกันเป็นสัตว์ที่สูงเท่านั้นเองแต่โดยแท้จริงก็สัตว์ ร, ร้ายประเภทเดี่ยวเป็นสัตว์ที่สมมุติขึ้นไม่มีไม่มีจริงนะเอาปากที่แสนคมมาใส่ปากเอาเล็บที่กลางใหญ่แข็งแรงมาใส่ที่ขาให้แกนกชนิดหนึ่งสร้างรูปเอาเองปั้นสมมุติขึ้นมาว่าเป็นนกครุฑอ่าแล้วมันยังไงล่ะมันก็จะได้เฉียวเขา ขูเขาขูดเขาจิกเขากินเอาอำนาจใหญ่เพือที่จะโฉดฉาบว่าความสูงความสูงชอบการยกยอปอปั่นเผินเสิร์นอ่นี่เรียกว่าวิรุณหกเป็นเจ้าแห่งครุฑทีนี้เจ้าแห่งอีกอันหนึ่งคือเจ้าแห่งหนาคทัตรศเจ้าแห่งหนาคนี่ก็คือเจ้าเสบสุขฟังเท่า น, นี้ก็รู้แล้วเจ้าแห่งการเสบสุข เอกเนกเลยเอกเนกถ้าร้อมพลังไปด้วยอะไรก็เอกเนกเลยชี้นิ้วเอาทุกอย่างเลยจะนอนจากจีนจะหยุดฮะเท้าทตตารสทัตตะแปลว่าทรงไว้รัฐถะแปลว่าอนาเขตก็คือแผ่นดินนั่นเองรถรัฐถะเนี่ยรอเรือทอเชิงทานนี่เองแหละเท้าทตะรถทรงไ ว, ทงไว้ทรงไว้ซึ่งเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินเลยทีเดียวถ้าพูดที่จริงอาณาเขต จะหมายความว่าจะสะสมความสุขให้เป็นอาณาเขตกว้างไว้ตลอดกาลเลยทีเดียวให้มากมายแล้วก็ไม่ตระดุกกระดิกกระเดียวไปไหนเลยจนส้นหลังยาวออกจาออกเป็นหน้าผู้นี้ก็จะเอาแต่กินแต่นอนเอาแต่เสพสมสุขส ม, สขสมเรียกว่าสุขนั่นเองจะเอาแต่ความสุขสมสุขสมแล้วอสุขอะไรมันก็ไม่เท่ากับกนไม่ต้องทําอะไรนอนเอะเคนเอก เ, กเลยจึงเรียกว่าพญา น, นาจอมหน้านนี่เป็น ัจตุมหาราชิกาเป็นผู้ที่จะต้องพลังพร้อมไปได้โล ก, กธรรมสี่ลาบยศเสรนญสนุนนนสขจะเอาให้ได้ทั่วโลกลุกตั้งสี่ทิศนี่แหละเรียกว่าจตุมหาราชิกาเดี๋ยวนี้ก็จัดไปเป้าตำแหน่งหมดเลยเนี่ยเขาอธิบายันเป็นปุกราธิฏฐานทากูเวนเป้าทิศเหนือว่างั้นท้าแต่ในนี้ไม่ได้อธิบายไว้หรอกแต่ในพระอภิธรรมก็อธิบายทากูเวนปเป้าทิศเหนือ เอาไปสี่ทิศเอาเลยแต่แท้จริงไม่ใช่สี่ทิศมันสี่โลกลาบยศสันเสริญสุขแล้วเบี่ยวออกจากลาบยศสันเสริญสุขใช่แล้วอธิบายเป็นอะไรไปเลยเพ้อไปใหญ่ไปเฝ้าสี่ทิศทิศเหนือทิศใ ต, ต้ทิศตะวันออกตะวันตกอะไรจับไปยืนเป้าอยู่ในปุถโธเป็นจตุมมหาราชิกายน์ไปยืนเป้าจะทําทไมถ้าจะอธิบายแบบนั้นก็เพราะไม่เข้าใจนะไม่ได้เข้าใจว่าเป็นจิตจิตที่หลงลาบยศสันเสริญ แล้วก็ฝ่ายหาฝ่ายคว้าที่จะต้องเอามาให้ได้จะให้เป็นเจ้าให้ได้ให้ทั้งพราะไปอย่างนี้ถ้าไม่รู้จักจิตนี้ก็เสร็จคนนั้นก็เสร็จเพราะงั้นต้องรู้จิตของเราแล้วตรวจตนว่าตนหลงราบหลงยศหลงสันเริญอย่างไรแม้แต่หลงสุขระวังเป็นหนัะระวังจะเป็นเจ้านาคถ้าหล ง, ลงอความสูงความเด่นก็จะเป็นเจ้าหนครุฑเป็นจอมครุฑถ้าหลงในยศในศักดิ์ใน ความเส็บหนิกตาอะไรมากมายก็จะเป็นจอมกุมภันหลงราบมากก็เป็นจอมยักษ์ในชั้นที่หนึ่งของเทวดาดีขึ้นมากกว่าถ้ามีลาบมียศมีสรรเสริมมีสุขก็ดีขึ้นมากกว่าชั้นนรกชั้นอบายภูมิก็ดีขึ้นมากกว่าแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ดีแท้จะต้องล้างต้องรู้จักจิตของเราไม่เอาไม่โลภโมโทสันอย่างนี้ชั้นต่อมา เทวภูมิชั้นที่สองเรียกว่าดาวดดาวดึงดาววดึงอันนี้แม่ฟังกันมามากฟังกันมานานดาววดึงภาษาบาลีว่าตาวะติงสะแปลว่าสามสิบสามภาษามันบอกโจงเป๊ะอยู่แปลว่าสามสิบสามดาววดึงคือจิ ต, ตอะไร่ะ 33มสิบสามนี่ก็หมายความว่าเรื่องของจิตนั่นเองคนเรานี่มันมีอาการอยู่อาการที่จะเสพจะสุขจะสมจะทำไอ้นุนอริยบทต่างๆได้มีสามสิบสองอาการมีสามสิบสองอาการจิตนี่แหละมันจะพยายามพปลิกแปลงอะไรแต่ละอาการของเราออกมานี่จะเสพสมสุขสมได้สามสิบสอง แต่มันมีจิตตัวกิเลสตัวใหญ่เบ่นที่ควบคุมอาการ32อยู่นี่ก็คือจิตมันเองควบคุมอาการ32ก็คือจิตจึงเป็นตัวที่33ตัวที่33เป็นใหญ่เหตุการณ์ที่จะเสร็สมสุขสมให้ได้จะอยู่เป็นสุขถึงนั้นจะเดินก็ให้สุขจะนอนก็ให้สุขจะแสดงอาการอะไรต่างๆออกมาก็จะเอาให้สุขทั้งนั้น อาการที่สามสิบสามหรือตัวที่สามสิบสามเป็นผิดนี้จึงเรียกว่าเจ้าแห่งแดนนี้เจ้าแห่งแดนนี้เป็นประมุขเป็นนายเขาเรียกว่าพระอินทร์พระอินทร์หรือสักกะสักกะสักก ะ, กกะคือเจ้าแห่งกายเนี่ยสักก ะ, ะสักายะนี่แหละตัวสักเนี่ยแต่ว่าใหญ่เท้าสักกะกรเรียบพระอินทร์กรเรียบ จะเป็นตัวสั่งการเสมอเสมอเสมอจะเป็นตัวที่จะต้องเสบสมสุขสมไม่ได้เสมอใหญ่ใหญ่ยยอยู่เสมอพระอินทร์ต้องสั่งการไม่มียอมแพ้ใครจะต้องเอาสั่งเอาความสุขให้แก่ตนเองจะต้องเนรมิตให้ตัวเองสุขให้ได้เสมอสั่งเสมอนี่ก็เป็นสภาพของจิตที่มีอารมณ์หรือว่ามีความยึดถืออันหนึ่งที่ยึดถือถ้าหลงลาบหลงยศหลงสรรเสริญหลงสุขก็เป็นอย่างนั้น ถ้าหลงว่าจะเสพสมสุขสมทุกอาการของคนให้ได้ก็จะเป็นดาวดึงส์ตะอันนี้ก็อธิบายไปเป็นปุกลาธิฏฐ า, านว่ามีพระอินเป็นประมุขเป็นที่อยู่ของพวกเทวเทวราชสามสิบสามองคอ์มีพระอินเป็นประมุขพวกเทวดาที่เกิดที่นั่นได้กว่าดาวดึงส์าเทวบุตรดาวดึงส์าเทวโลกนี้ตั้งอยู่บนเขาสิณุเนรุ ไกลจากมนุษย์แปดหมื่นสี่พันโยต์เป็นประมาณฮะกระโหลกกากับมนุษย์เลยก็ต้องเกมกันแหละไม่ต้องปฏิบททัติธรรมกระโหลกกากับมนุษย์ตั้งแปดหมื่นสี่พันโยต์แล้วก็จบไม่ต้องเรียนฮะเรียนปรมัตัยไม่ได้นะเหมือนตะบู้ได้รู้อาการของจิตของเราที่มันเป็นเจ้าใหญ่นายโตมันจะสั่งการจะนั่งจะให้มันทนทนนั่งหน่อยก็ไม่ได้ จะยืนให้มันทนยืนหน่อยก็ไม่ได้จะนอนให้มันทนนอนหน่อยก็ไม่ได้จะเสพทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งอาการทั้งนอกทั้งในอะไรทุกอย่างอะก็จะให้มันฝืนให้มันทนบ้างไม่ได้มันจะต้องใหญ่มันต้องเสพสมสุกสม ท, กทุกอย่างแล้วก็พยายามรู้จิตตัว น, นี้ให้บ้างมันไม่เป็นเจ้าใหญ่นายโตอะไรนักหนาหรอกอย่าหลงแต่ความสุขสมเสพสมอะไรนักหนานักอ่าเราจะได้รู้ตัวนี่เป็นภูมิที่สอง ของเทวโลกภูมิที่สามเรียกว่ายามานะยามายามายามะตัวนี้ก็ยามนี่แหละฟังง่ายๆมาจากภาษาบาลีแท้ๆแหละยามนี่แหละยามกําหนดเวลานี่แหละแปลว่าเฝ้าแปลว่ารวบรวมได้แล้วไว้แล้วในเวลาประมาณนั้นเท่าที่กําหนดเวลาแปลว่าเท่าที่กําหนดเวลาไว้เรียกว่ายามถ้าหนึ่งยามก็กํากหนดไว้ว่าประมาณนี้แล้วก็ตีหนึ่งยามหนึ่งทีอะไรเงี้ย ครบรอบแล้วเรียกว่าครบรอบทุกไปแล้วเรียกว่ายามลักษณะของสิ่งเหล่านี้ก็คือลักษณะของจิตที่มันสะสมไว้สะสมไว้พร้อมเต็มรอบลักษณะของจิตมันสะสมไว้รักษาไว้ให้เต็มรอบครบนะรักษาไว้นี่เป็นลักษณะของจิต ถ้าเจ็บต้องปูดใดไปจะได้ยึดไว้รักษาไว้ไม่หยุดไม่วางก็เป็นยามาจะรักษาอะไรก็รักษาตัวสิ่งที่เราเองเห็นว่าเป็นความสุขหลงสุขนั่นแหละหลงกามสุขทางไหนก็ตามหูตาปากจมูกลิ้นกายก็เป็นรายละเอียดต่อไปอีกเราจะเฝ้ารักษาคํานึงคํานวณไว้ให้มันสมอกสมใจสมหวังอยู่นนละคอยเฝ้าอยู่นั่นแหละจะมีไว้ไม่รู้จะหายไปถ้าจิตที่มีอาการอย่างนี้ก็เรียกว่า ทิตของเราอยู่ในภูมิของยามารู้ลักษณะอุทเทศที่แตกต่างกันของคําว่าเจตุมหาราชิกาอของความแตกต่างเป็นลิงคะว่าลักษณะมุมเหลี่ยมอย่างหนึ่งเรียกว่าเจตุมหาราชิกาอย่างหนึ่งเรียกว่าตาวติงสะหรือดาวดึงอย่างหนึง่งได้กว่ายามะยามาต้องรู้ลักษณะที่แตกต่างของลิงคะต่างๆของมันให้ได้ถ้าไม่รู้เราก็แบ่งแยกมันไม่ออก ถ้าเรารู้แล้วเราก็จัดชัดว่าอารมณ์เป็นอย่างนี้จิตเรามายึดอย่างนี้จิตเรามาคิดอย่างนี้จิตเรามาเป็นอาการอย่างนี้แล้วก็ดับมันเปลี่ยนมันเจ็บเราก็จะพ้นจากภูมิเหล่านี้ไปด้วยล้างภูมิเหล่านี้ไปด้วยนี่เป็นชั้นที่สามชั้นที่สี่ดุสิตตาหรือดุสิตดุสิตตาหรือดุสิตดุสิตตาเนี่ยแปลว่า ความยินดีที่ได้เสบแล้วหรือพอใจยิ่งแล้วพอใจยิ่งแล้วสมใจในผลที่ตน อ, อยากแล้วก็สงบลงสักทีนึงมันสมใจแล้วมันก็จะค่อยๆสงบลงเองการสมใจในอะไรก็ตามแต่เมื่อสมใจแล้วมันก็จะค่อยๆพักค่ อ, คอยๆพักเพราะฉะนั้นแดนตรงนี้ เขาจึงอธิบายกันเป็นภาษาแบบปุกลาธิฐานว่าเป็นแดนที่พระโพธิสัตว์จะต้องไปสิงสถิตยอยู่เพราะเป็นแดนที่สุขที่สุดผสมอยากเป็นที่สุดแล้วมันก็จะพักสมอยากแล้วก็พักหุดทุกคนนะ่ะพอสำเร็จความใกล้สําเร็จความอยากของไปทีนึงก็ต้องพักต้องพักเพราะว่าคนเราไอ้จิตใจที่ลังอยากนะ่นคือสะสมเอาไว้อย่างที่ว่าอย่างยาห ม, มา สะสมพลังงานไว้เกาะไว้กาะเกาไว้พอได้่บำบัดความอยากพอบำบัดความอยากนี่คือการทำลายพลังงานจิตอันนี้ไปพลังงานจิตนี้จิตก็คือพลังงานกำลังงานนะสะสมไว้ถ้ามันมากมากๆมันจะเร่งร้อนมากมากๆเขาแล้วมันก็ไปสมอยากทีนพอสมอยากปั๊บมันก็ละลายจิตก็ละลายถ้าพลังงานมากเป็นความร้อนถ้ายิ่งสังเกตได้ยอย่างสูงสุดก็ เนี่ยเรื่องเมธุนธรรมเนี่ยจ่ายพลังงานมากที่สุดเลยอาจ่ายพลังงานไปทงานมากที่สุดเพราะสปากออกเป็นลัก ษ, กษณะของพลังงานได้แท่เลยอธิบายลักษณะพลังงานได้แน่นอนแต่ดีดีด้วยรพระตาบุตรใดที่เข้าใจทางวิทยาศาสตร์มายิ่งดีใหญ่เป็นการสงสมพลังงานไว้เนี่ยยามาเนี่ยเป้าเก็บเก็บรึกษาสะสมพอไอ้น้ำปั๊บก็ได้เก็บสมสมจี่งก็ปั๊บพอสําเร็จความอยากสําเร็จความต้องการสมใจในความต้องการได้ว่าสำเร็จในความใคร่อยากทีนึง พลังงานนี้ก็จะถูกทำลายสปากร์ออกหรือว่าทําอะไรออกอะอะไรดีไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีจึงหาภาษาไม่ได้เหมือนกันนะคือทําให้มันละลายออกแล้วมันสมใจมันถึงจะละลายถ้าไม่สมใจมันไม่ละลายมันจะเป็นยามาอยู่อย่างนั้นพอได้สมใจทีหนึ่งมันถึงจะละลายพราะดูสิ่นี้คือพอใจลิ่งแล้วคือได้สมใจแล้วสน ใ, ใจแล้วมันก็พักลง เพราะรงั้นตรงปลายต่อตรงพักนี่แหละเป็นตัวที่สุขที่สุดตัวที่หยุดไอตัวที่สมใจนี่ยมันก็สุขสุขอย่างโลกปลายต่อของความสุขอย่างโลกแล้วหยุดตรงหยุดนี่แหละคือโพธิ้าใครรู้จิตตัวจุดนี่ตัวนั้นแหละเป็นโพธิสัตว์ที่เป็นแสงอาศัยอยู่ในแดนดุสิคือโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ไปแฝงอาศัยอยู่ในแดนดุสิ ถ้าไม่มีวิชาแท้ไม่มีปัญญายานเจอว่าปฏิษัทย์นี้ไม่ได้ถ้าใครเจอก็หมายความว่าเรียนรู้ออกอ่านจิตออกว่าถ้าจิตที่สมใจอยากแบบคนไปสปาให้มันร้อนเต็มสมความบาบัดเนี่ยเราหลงว่าสุขกับจิตที่หยุดไม่ร้อนจิตที่พักลงรู้จิตสองตัวนี้ต่างกันเห็นบริษัท ด, ดีกว่า ก็ตับรู้เห็นจิตตัวนี้จริงได้ว่าจิตโพธิเห็นอาการของจิตที่มันเอ๊หยุดที่มันดีกว่าแฮะถ้าไปสปากร้อนแบบนี้บำบัดความต้องการอย่างนี้ให้พอใจได้อย่างนี้มันก็เป็นรถตกโคลกสูกอันนี้ไม่ได้เพราะยังถ้าเมื่อใดจิตเห็นจิตโริสัตว์ที่ซ้อนอย่างนี้นี้ปั๊บโพธิสัตว์ก็เติดทันทีโพธิสัตว์ก็จุดติปฏิสนธิขึ้นมาทันทีเป็นโสดาบัน เป็นโสดาบันเนี่ยจิตบริษัทจะเกิดจากดุจิทนี่แหละเป็นตัวหยุดเป็นตัวพักก็หยุดเห็นในชัดนะเห็นในชัดนันี่อธิบายเป็นธรรมดิฐานอยังมาเอานี่เดชไม่ได้อ่านให้ฟังบางที่ไม่ได้อ่านให้ฟังภาษาของเขาอ่านไปก็อย่างนั้นแหล ะ, อ, ะอ่านไปก็อย่างนั้นนะเพราะงั้นถ้าจิตใครอ่านจิตตนออกจับจิตตนได้ ถ้าเรียนรู้ว่าพักมันดีกว่าที่ไปเมื่อยไปร้อนไปเสพสมสุขสมเต้ลนลำบำละคร อ, อะไรหน่อยอันอย <c oughs> เนี่ยก็เป็นดูสิทธิุกันเป็นดูสิธิกันสมในใจอุสาห์แม้ตั้งใจเอาไว้วันนี้จะต้องไปเต้นลำในอันอยงานคืนนี้งาน A B C D ball จะไปเต้นให้มันะสะสมเป็นยามาไว้พอเสร็จแล้วก็ได้ไปเต้น ม, มันก็พอใจยิ่งแล้วเสร็จแล้วก็เมือ่อยปักปกปักหนาเปีย แต่ปากําลังออกไปตรงมากตรงไม้ถ้าก็เห็นได้ว่าพักนี่แหละยอดกว่าไปเต้นพักนี่แหละมันกว่าอร่อยกว่าสุขสันติกว่าเพราะฉะนั้นพุที่ควบคุมแดนดุสิตดาเนี่ยจึงเป็นเทา้าเอสันตุสิทธิ์นี่ไม่มีไม่บอกอ่านี่ไม่บอกเท้าสันสันตุ สันติสัตว์เท้าสันติสัตคือเท้าสันติเท้าสันตะเท้าสงบพวกคุมแดนนี้แต่ไม่รู้เนี่ยเป็นยอดใหญ่ยิ่งอยู่ในแดนสุดิสิบแต่ไม่รู้เขาไม่รู้กันเขาก็มีภาษานะมีภาษาแต่นี่ไม่อธิบายอันนี้ยังยังคนแก่คนน้อยไปนะถ้าคนมากกันนี้ก็จะอธิบายได้มากกว่า น, นี้อ งั้นเราเข้าใจเป็นสภาวะทําให้ได้สภาวะของจิตมันไม่ใช่อื่นถ้าเราไปเข้าใจเป็นเพอ้อพกเป็นรูปเรื่องของปุกลาทิฐานอยู่ก็ไม่ได้ปฏิบัติทําไม่มีทางบรรลุไม่มีทางบรรลุกับเนลิเกไปใหญ่มีเตลิเกตะพื้ตะพือนมีเตลิเกไม่มีอะไรถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราจรึงจะเข้าใจโพธิสัตว์หรือเข้าใจโพธิสัตว์แล้รู้จากโพธิจิตทิแท้จิติติโพธิจิติติตรงมาปฏิสนธิๆๆ ก็คือจับผิตอนนี้ได้นั่นเองนะอย่าได้สงสัยเลยแล้วเขาอธิบายเอาพระุทธเจ้าออกแหมแ ว, ว่าจิติจารณสติเข้ามาปฏิสนธิในโลกมนุษย์ก็จิตจเจริญขึ้นน่ยจิต ด, ดีขึ้นเนี่ยแหะเป็นมนุษย์จิตสูงขึ้นก็จะติดสิแต่จะิตติก็คือจะดับจากจิตไปหลงหลงเลอะเลอ ะ, ละเป็นแบบทุกข์อย่างโลกีเสียแล้วก็มาเกิดในสุขเห็นดีเห็นชอบในสุขทางด้านยุด ทางด้านพักทางด้านเย็นเป็นสรนตุสระเป็นสันตุสระเทพประบุสันตุสัะเทพประบุนะเท้าสันตุสรตเทพบุตรนะบที่อยู่ในดุสิตาเท้าสันตุสระนี่เป็นเทวโลกชั้นที่สี่เทวโลกชั้นที่ห้าเทวโลกชั้นที่ห้านี่เป็นเรื่องของความไม่รู้ที่หลงเพลิดความไม่รู้ที่หลงเลยถอยไปอีกข้ามขั้นไปอีกเลยเป็นรอบใหม่เลย เมื่อไม่รู้แม้แต่สันดุสิทธ์เนี่ยจับโพธิจิตไม่ได้จับความเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้จับจิตตัวหยุดไม่ได้หุอาการของจิตหุดจิตพักนี่ดีกว่าอาการของที่การได้เสพสมสุสมรู้ไม่ได้เมื่อรู้ไม่ได้ก็สั่งสมไปอุปทานจิตจิตจะสั่งสมเป็นนิมมานราติสั่งสมลงเป็นนิมมานราติอ่าเป็นอุปทานจิตใส่เข้าไว้ตรงไปจำไว้ เอออย่างนี้มันจำไว้วันหลังฉันจะมามันอีกอย่างนี้จำไว้ฉันจะมามันอีกอะจะมามันเรื่อยๆไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยนิมะระตีะแปลว่าความกําหนัดนิมาแปลว่าผู้ผู้สร้างนิมาแปลว่าผู้สร้างนิมาระตีก็คือเทวดานักสร้างความกําหนับสะสมความกําหนัด เรียกซะโก้เลยเป็นแฉได้เทวดานนิมานนรตีบทโทที่จริงมันน่ากลัวจะตายน่ากลัวจะตายรตีนี่แปลว่าความกำหนัดแล้วก็เอามาใช้กับผู้หญิงรตีรตูก็คือประจําเดือนผู้หญิงด้วยความที่มีสีจัดสีแดงเกิดอธิบายฟังแล้วรต์รตีรตูนิมานรตีสร้างสร้างเนรมิต สร้างความกำลัดนิมานนรตีแปลง่ายๆเลยชัดๆนิมานก็คือความการสร้างการเนรมิตในนี้ก็พูดนี่เขาอธิบายกันเทวดาจำพวกหนึ่งที่มีความเพื่อเพลในการมคุณต่างๆที่ตนเนรมิตได้อธิบายว่างั้นเทวดาจำพวกหนึ่งที่ตนที่เพื่อเพลในการมคุณต่างๆที่ตนเนรมิตได้สร้างเนรมิต น, น, นิมิตสร้างเนรมิตนิมานผู้สร้าง แล้วทีนี้ก็เป็นเนระมิตเอาการมาคุณได้ไม่ใช่หมายความว่าสร้างเลยโดยตรงเลยนิมมาก็คือสร้างหรือนิมิตเนระมิตสร้างระตีคือความกำหนัดใส่จิตตนสร้างความกำหนัดใส่จิตตนนี่เป็นภูมิที่ห้าเป็นอุปทานเมื่อยิ่งไปเคยไปเสพอะไรแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เลยยิ่งยึดยึดยึดยึด ย, ดยดความกำหนัดนั้นโตขึ้นแปลกขึ้นหมายขึ้นสะสมเลยไปจำพวกที่หกเทวโลกชั้นที่ปะระ นิพิตวสาวัติพระนิพิตวสวัติเป็นอุปทานที่ไม่รู้หยุดจัดเป็นจิตอุปทานที่ไม่รู้หยุดจัดและมีอํานาจที่จะรุนแรงเร่งเราจะต้องสั่งให้เป็นไปในอํานาจโดยวยวสวัติเพราะนั่นก็อธิบายฟังแล้วคือยั้งให้เป็นไปในอํานาจวสาวัติซึ่งมันมีความหมายตรงกันกันกบอาณาสมมเมื่อวานนี้เองอาณา เช้ามากลงวันนี่เองอานานคาว่าอานาคือได้ตามสั่งทําได้ตามสั่งนี้ยังให้เป็นไปได้ในอำนาจวสวัรตีมันถ้าเป็นวสวรตีมารก็มารนี่มันเก่งยังให้เป็นไปในอำนาจได้ถ้าเป็นวสวรตีเทพก็เป็นเทพที่ยังให้เป็นไปในอำนาจได้ ปุปฏตติเทพหรือเทพที่เก่งที่สุดที่เป็นวสวรติเทพชั้นสูงสุดก็คือวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพเป็นเทพเป็นพระอรหันต์เลยยังให้เป็นไปในอำนาจได้อย่างเก่งที่สุดถ้าไปชื่อมารก็มารเก่งที่สุดของมารเหมือนกันววสวรตีมารปรินิมิตวสวรตินี่ก็คือเหมือนกันนิมิตก็คือเนรมิตเหมือนกันสร้างสร้างไอ้อื่นไว้เรื่อยแล้วก็จะสร้างให้ได้อย่างเก่งด้วย ต่างสะสมมีแต่ไออื่นอะไรอะไรเอาไว้เสมอเสมอเสมอเ ส, สมอไม่มีความหยุดไอนี่ก็ไปแปลเป็นตัวบุคคลเลยเขาแปลว่าเทวดาพวกอื่นคือปะไม่ได้แปลว่าเทวาเขาแปลว่าอาที่มีความเพลิดเพลินในกามารมณต่างๆที่เทวดาอื่นๆก็นิรมิตให้อืเ <c oughs> ทวดาอื่นๆที่เขาเนรมิตให้เป็นเทวดาที่สบายก็มีอํานาจสามารถในคนอื่นก็มาเนรมิตให้ก็ได้ จะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้คือหมายความว่าจะต้องทําไม่ได้เต็มที่จะด้วยไร ม, มันในนมิตหรือตัวในนมิตกรตามแต่นตัวในนมิตอะไรในนมิก็ตามแต่ก็ได้ก็หมายความว่าสั่งสมอุปทานเข้าไปอีกยิ่งขึ้นเป็นอุปทานจิตสูงยิ่งขึ้นเมื่อเราไม่รู้นะจิตของคนเนี่ยเมื่อมันไม่รู้เลยเพมันต้องหลงในโลกกระทําต่างๆลาบยศเสริญเมื่อไม่รู้มันก็จะต้องเจ็บมันเจ็บเพราะอะไรมันก็เอาจิตนี้แหละไปเจ็บ แเพื่อให้สุขสมในตัวของเราเองทั้งสามสิบสองอาการและเราไม่รู้แล้วก็สะสมขึ้นมาเรื่อยเรียกว่ายามยามอะ่ะก็สะสมไปเรื่อยแล้วก็มาได้สมใจกิจทีนึงได้เสพสุขกิทีนึงเสพสุขสมใจก็คือดุสิตดาเป็น ต, ตัวที่สุขที่สุดนะสุขที่สุดถ้าจะเรียกก็เรียกว่าตัวคลแม็กของเทวดาอยาห้ดุสิตเนี่ยตัวคลายแม็กของจิ ตัคลายแแมกองจิตสุดที่สุดแต่ซ้อนที่สุดที่สุดแบบโลกใน ค, คลายแแมแบบโลกสมใจแล้วก็สูกคือได้บอกสปาบ อ, อกแต่แล้วก็พักแล้วไม่รู้จุดพักจึงไม่รู้โพธิจึงไม่จัดรู้ถึงความพักนั่นแหดีกว่าเมื่อไม่รู้เลยเถิดเลยสั่งสมความเคยชินนั้นหลงว่ามันเป็นของดีจึงได้นิมมานรตีจึงได้สะสมเ้าไว้เรื่อยสร้างไว้เรื่อย สะสมเป็นอุปทานติดไว้เรื่อยๆเจอกะทั่งมันมีกําลังแรงเป็นวบื้สวัรติเป็นประนิปประนิมิตวัตวัตติประประนิมิตประแปลว่าอื่นอประแปลว่าอื่นไงประโลกโลกอื่นประนิมิตนิมิตนิมานเหมือนกันตัวเดียวกันแปลว่าสร้างแปลว่าในร่มิตอสร้างไออื่นไว้เรื่อยๆมากมายเจอกะทั่งมีอํานาจ นิมมาแข็งแรงเก่งกล้าเป็นอุปทานจิตทั้งสิน้นสั่งสมลงไปเพราะความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ได้เสพหลงวัสุขแล้วก็สั่งสมไว้เรื่อยๆเืยๆยิ่งสั่งสมไม่รู้จบเป็นอื่นไปด้วยมากมายเรื่อยๆยิ่งเป็นเทวดาชัน้นนิมมานารตีเป็นเทวดาบริณิพมิตวสวัตีจิ่งสวยหนักครับใหญ่มันมันย้อนกลับแล้วเห็นมะมันย้อนกลับเขาอีกเพราะยิ่งสั่งสมอุปทานเขาไปใหญ่เลย รู้ตัวให้ดีนะเขามาโยกมาแหนนเป็นเทวดาฉันยอดยอดเลยเนี่ยก็อธิบายกลับกันถ้าเป็นบุคลาธิษฐานก็อธิบายอาแมมีอะไรมากฟังพร้อมก็มันก็ไปซ้ำกับพวกเจตุมหาราัชกาทีเขาเจตุมหาลิกาเนี่ยทนะบนดีฟังพร้อมนี่มีเซฟสุขสมสุกสมทุกปันมันก็มันก็ไปซ้ํากันเลยสิใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกหรอกอันนี้อยิ่งเป็นตัวร้ายของจิต มันลึกซึ้งก็ไปอีกถ้าใครไม่รู้ก็ยิ่งทับผมก็ยิ่งหนักเข้าหนักเข้าสั่งสมอุปทานจิตแหนะหนาแน่นเข้าเป็นอนุสัยเป็นอาสวะลึกก็ไปอีกยิ่งติดยิ่งยึดมากเข้าไปอีกดังนี้ล่ะเทวดาใครจะรักเป็นเทวดาอย่างนี้ก็เชิญนะเป็นอยู่ด้วยเลยแนวไม่ไหม้ด้วย เฮ้อนี่ไม่ใช่นี่ไอ้เรื่องของโลกจิตนะจิตนะนี่อธิบายปรมาจิตนะนี่อธิบายถึงปรมัตา จ, นะจิตน่ะเพราะฉะนั้นจะจิตแบบนี้แล้วรู้ให้เท่ารู้ให้ทันต้องสอนเทวดาอย่างนี้นะแล้วต้องฝึกเทวดาอย่างนี้ให้กลายเป็นวิสุทธิเทพถ้าจิตของเราเป็นเทวดาอย่างนี้ก็ต้องรู้ให้ได้รู้ได้แล้วก็ต้องฝึกให้เป็นวิสุทธิเทพขึ้นมา ให้อุบัติขึ้นมาเป็นวิสุทธิเทพไ่ได้อย่าให้เป็นเทวดาอยู่ในชั้นกามาวาจร น, นี้เป็นอขาถ้าบุไดรู้มีโพธิจิตรู้เท่าทันจิตเทวดานี้อีกแม้จะสั่งสมให้มันเลยเถิดเป็นอุปท า, านก็ไม่ทับเมื่อไม่สั่งสมให้เป็นเลยเถิดเป็นอุปท า, านก็จะล้างมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่จะตุ ม, มหาราชิกามาทีเดียว ลดหย่อนลงมาไม่หลงลาบไม่หลงยศไม่หลงสันเซิญและไม่หลงสุขเมื่อไม่ลดไม่หลงสุขก็จะพยายามควบคุมอินทรีย์ทั้งหลายจิตที่เป็นใหญ่เป็นถึงเท้าสักกะก็จะต้องถูกกำราบเป็นจอดพระอินก็จะถูกกำราบไม่ให้อาการทั้งหลายแหล่ของเรานี่ยมันหลงสุขมากมายก็จะลดลงลดลงลดลงได้จริง เมื่อยิ่งไม่ติดในกามคุณตอนนี้ก็ว่างเบาก็จะรู้สึกที่มันหยุดจิตที่มันว่างสุขที่มันเบาเริ่มต้นรู้ก็เพิ่มภูมิขึ้นมาพอเริ่มต้นได้หน่อยก็ยึดเอาปาริสัจชาได้ทันทีปาริสัจชาเป็นพระพรหมแล้วพระพรหมองค์ที่หนึ่งั้นที่หนึ่งตอนนี้เป็นภูมิของพระพรหมแล้ว เป็นภมเป็นภูมิของวัตถมงคลแเป็นจิตจิตที่เริ่มมีโพธิเริ่มรู้จักความหยุดรู้จักความเบารู้จักความว่างพรมปาริสัจชาพรมปริสัจฉาแปลว่ายุดเริ่มยึดสิ่งนี้ขึ้นมาให้มีรอบปริก็คือปาริหรือปริรอบ มาขึ้นมาเพื่อเป็นพรมปริศชาก็มีภูมิมีวิชามีความรู้มีโพธิขึ้นมาได้หน่อยนึงก็ยึดมั่นถือมั่นได้หน่อยนึงถ้าไม่รู้ตัวก็จะหลงหลงว่าตัวเองเก่งแล้วยอดแล้วดีแล้วก็จริงนะก็จริงดีขึ้นมาจริงแต่ถ้า ไม่รู้เท่าทันติดตัวปิติมันแรงปิติมันก็อยากจะสอนคนมันอยากเป็นครูเจตที่จะเป็นครูนั่นแหละเราเรียกว่าพรมปุโรหิตตาเป็นกรมชั้นต่อไปอีกเป็นชั้นที่สองเป็นพรมชั้นที่สองกรมปุโรหิตพรมปุโรหิ ต, ม, หตมันก็จะมียุดรู้นะ คือปริศชาทําความสูงของตัวเองให้รู้จักพักรู้จักพอลดลงไปเบาว่าง่ายคือเป็นชั้นชั้นชั้นชั้ น, นขึ้นมาเรื่อยๆก็เรียกว่าทําความยิ่งใหญ่ให้เกิดจิตเพิ่มขึ้นเรียกว่ามหาพรหมเรียกว่ามหาพรหมในที่นี้ก็อิบายเป็นปุกราติฐานก็ถูกพรหมที่เป็นบริวารของท้าวมหาพรหมผู้เป็นสมุขพรหมปริศชาอาศัยอยู่ในพรหมปริศชาภูมิ อาศยอยู่ในผมบริสัทธาผูมก็ไม่จะต้องพูดเลยเพาผมบริสัทธาก็ต้องอยู่ภูมิบริสนะัทธาก็เป็นลูกน้องของท่านมาหาพรหมก็ถูกก็ยังมีน้อยอยู่ก็เป็นลูกน้องก็มีใหญ่เข้าก็เป็นมหาพรหมมองมียากอะไรมีมากเขาก็เป็นมหาเองก็สั้งสมมาเรื่อยๆก็แล้วกันนะถ้าไม่รู้ตัวก็จะเป็นพปมพูนที่นั่ะ พี่อยากสอนเขาซ้อนก็ตาบุดซ้อนเ ข, าานเขใหญ่เลยก็ได้จะเป็นผมที่สอนเป็นผู้ดีสอนเขามีปิติใหญ่ก็ได้จะสอนเขาไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยสอนตาพุดพื้นไม่รู้จักพักไม่รู้จกักพอไม่รู้เพียรไม่รู้พักนะ่เป็นพรหมปุโรหิตามันมักใหญ่แต่ตาทางสอนไม่รู้เท่ารู้ทันจริงๆเป็นจริงๆเป็นจริงๆจิตมันจะเป็นแต่ไม่รู้จกักความพอดีแห่งตนก็ไม่รู้ แล้วก็เอาแต่จะแสดงภูมิแต่ก็ดีนะเป็นประโยชน์ในนี้เขาจึงอธิบายว่าเป็นพรหมจักรพนุที่รับหน้าที่เป็นอำมาตย์ของท้าวมหาพรหมมันก็ยังมันก็เป็นเศษของอมหาพรหมอยู่นั่นเองแหละเพราะว่ามหาพรหมหมายความว่าเป็นพรมที่ใหญ่คือจิ ต, ตเจ้าดงถ้าจิตตัวนี้แนละ้วจิตเป็นครูที่มันลงตัวลงตนใหญ่มันก็เป็นตัวมหาพรหมจะเองถ้ามันเป็นครูก็คือนั่นแหละมันลักษณะอาการ พยายามเข้าใจอุดเทศหรือพยายามเข้าใจมุมเดียวของความแตกต่างไปนิดหนึ่งนง้อยนิดหนึ่งถ้ามันใหญ่มันก็เป็นโพรเฮต้าใหญ่ยึดใหญ่ก็เป็นปริสัิชาใหญ่มันใหญ่เหมือนกันนะครูปเพรารนั้นนี่คือหมู่หนึ่งของจิตปริสัิชายโพรเตากับรมมหาปรอมหมู่หนึ่งสามอันนี้เป็นพรมหมู่หนึ่งดี่เขาก็อธิบายว่าเป็นพรหมหมู่เดียวกันนะครับ อธิบายเป็นภูมิรลายสังก็อธิบายไว้ตัวภูมิเดียวกันและจำเป็นมูมจะจําง่ายภูมิต่างๆสมก็เหมือนกันสมนี่มีภูมิต่างๆนีโมดีหนึ่งพรหมบริชาพรหมปุโรหิตาแล้วก็รวมมันเป็นมหาปรบคือมันจะใหญ่ยิ่งที่สุดก็คือเพราะว่ามันรู้ภูมิมันเข้าใจสิ่งที่เรายึดได้แล้วจับได้แล้วยึดความว่างยึดอุเบกขาได้แล้วแล้วมันก็จะสบายเสร็จ แ, แล้วมันขี้สอนมันก็เป็นปุโรหิต เท่านั้นเองถ้ามันเป็นปุโรหิตใหญ่มันก็เป็นมหาพรมปุโรหิตใหญ่เป็นพรหมขี่สอนถ้าขี้ยดไว้โดยไม่รู้เลยมันก็เป็นมหาพรมแบบยึดความรู้เท่านั้นเองนะที่ชั้นที่หนึ่งรอบที่หนึ่งของการ อ, อาธิบายลักษณะของจิตที่มันขึ้นมาสู่ภูมิดีขึ้นบ้างภูมิชั้นต่อไปอีกก็เป็นสามปริตตาภาปริตตาภา อัปประมาณนาภากับอภัสจราอภัสจรานั น, นี่ก็สามปริฏตาแปลว่าปริฏตาภาหมายคำว่ามีประมาณน้อยปริตตะบวกอาภาอาภาก็แปลว่าแสงแสงก็คือปัญญา น, นั่นเองคือความรู้คือความรู้เรื่องมีความรู้แต่มีประมาณน้อยเรียกว่าปริฏตะถ้ามีประมาณมากเรียกว่าอัปประมาณ อปประมาณอปประมาณนาภาเนี่ยซึ่งเป็นผมชั้นขึ้นมาก็มีความแตกต่างก็อยในมุมว่าอันหนึ่งยังน้อยนะอีกอันหนึ่งมากอัปประมาณนาภ า, า, าก็มากปริตตาภาก็น้อยเพราะฉะนั้นเองไม่มีอะไรแตกต่างก็คือจํานวนความรู้ที่เราได้อันนี้ก็ซ้อนอธิบายซ้อนกันไปอีกว่าไอ้ที่ว่าปริศชาที่ว่าเป็นมหาที่ว่าตัวเองใหญ่มันใหญ่ข น, ขนาดไหนเราใหญ่ท่านยังน้อยอยู่หรือยังมากอ่ะถ้ายัางน้อยอยู่ก็เลยโงว่า เออมันก็ยังมาเป็นมหาผมชนิดปริตตาภานงะเป็นผมใหญ่ชนิดน้อยเพราะนั่นเองแหละพรมใหญ่ชนิดน้อยมายควาว่าเริ่มมีแสงเริ่มเกิดปัญญารู้เท่ารู้ทัดอันนี้ยังไม่รู้ลเลยนี่ ย, ยึดก็ยึดอยู่ในปริศชาเป็นครูก็เป็นครูก็อยู่ตะพื้นเป็นบมพพรหมใหญ่อยู่แต่ไม่รู้ตัวรู้ตนแต่เริ่มมีแล้วเป็นธรรมอาทิติ์ลงในจิตรู้หยุดเป็นธรรมอาทิติแล้ว ไปทำวจิติยานเกิดก่อนในจิตเป็นเจโตแต่ว่าตัวเองรู้ไม่ ม, ไ ม, ม, ญญมีไม่มีปัญญามีแต่เจโตไม่มีปัญญาพอเริ่มมีแสงสว่างมีอาภาปริตตาภ า, ภ า, ภาก็เริ่มรู้มาหน่อยพอรู้มากขึ้นจะเป็นอ ป, ปมานาภาตอนนี้รู้มากขึ้นจนกระช่างออกแสงเรียกว่าอาพัสราออกแสงไปแต่ตัวเลยนี่นี่ก็อาธิบายว่ากรมที่มีรัศมีออกอยู่ตลอดกาลท้ า, าธิบายบอกว่ากรมที่มีรัศมี ออกอยู่ตลอดกาลคือมิลัสมีเรื่องออกจากตัวเองออกจากตัวเองก็คือรู้จนกระทั่งเข้าใจเป็นสามัญสำนึกได้เข้าใจเป็นสามัญสํานึกได้ชัดเจนจนกระทั่งเห็นได้รู้ได้คนอื่นก็เห็นได้รู้ได้ด้วยได้เรียกว่าอีกหมู่หนึ่งเป็นจิตที่อธิบายลักษณะความแตกต่างของจิตทั้งนั้นเลยไม่มีอื่น อ้าอธิบายเป็นปกฎล่ะที่ฐานกั็ไปเลยต้องไปหาเครื่องแต่งตัวให้นะต้องให้แต่ต่างแต่ต่างกัน ต, ต้องไปหาเครื่องแต่งตัวมอยบานเลยนะจะอธิบายเป็นจิตแล้วก็ายางเข้าใจให้ได้มูที่สามมูแรกมันยังไม่รู้แต่มันเกิดมันเป็นมันมีปริศชาเกิดได้ที่จิตเป็นธรรมทิฏฐิขึ้นก่อนอ่าพอยึดได้ว่าเออภูมิอย่างนี้ดีจิตอย่างนี้ดีจิตจิต ยึจิตพักได้อ่ายึดจิตตุเบขายึดจิตว่างเบาทำครูให้ตัวเองรู้จักผ่อนจากตนแล้วรู้จักลดจากรวางมาได้แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้มันมันได้แล้วมันก็รู้ในตัวเองเหมือนกันแหละแล้วมันก็ขี่สอนเป็นครูมันอยากสอนอยากแบ่งอยากให้ผู้อื่นอ่ามันก็เป็นความเป็นมหาพรหมในตัวนะท่านบ้าก็เรียกว่ามหาพรหมทีนี้มีปัญญาประิทธ ตักบวกอาภาอาภาแปลว่าแสงสว่างแสงสว่างนี้ก็เทบแต่กับปัญญามีแสงสว่างหรือมีปัญญารู้เท่าทันในน้อยหนึ่งก็เรียกว่าปริตักถ้ามีมากก็เรียกว่อปประมาณาภาแปลว่าอปประมาณาอปประมาณนี่ยแปลว่าอ่ามากไม่โดยไม่มีประมาณคือเรียกว่ามากอ่าแล้วอปัชรานี่ก็หมายความว่ามากเกระญตั้งเดินไปไหนก็รู้เลยโอ้อาจารย์ออกลังสีมาเลย มีแสงออกรอบตัวก็คือมีมีมีมีความมีความอะไรมีภูมิของตัวเองจนกระทั่งเขาเห็นได้เลยแหละไม่รู้จะอธิบายด้วยภาษาไงแล้วก็ถึงเทียบเป็นเอ่าพุทธฐานกันมีแสงออกรอบตัวก็บรินี้มีรัศมีอยู่รอบตัวอภัษฎานี่ไม่ใช่มีรัศมีอยู่ตลอดกาลไม่ใช่มีรัศมีออกรอบตัวอภัสฎาหมายก็ว่า ตาราบวกอาภะอาภะอาภารีหลยแสงท้อนแสงนี่แล้วไม่มีอะไรอื่นน ะ, ะมีราศีฮะแปลเป็นไทยว่ามีราศีได้นะมีราศีเออนี่เป็นพระพรหมมีราศีขึ้นมาได้นี่หมู่หนึ่งหมู่ต่อมาหมู่ที่หมห ม, มหมู่ที่สามพระพรหมหมู่ที่สามก็ไอหมู่เหมือนก่าวนี่และเติมกันไปอีกปริตะสุภาปริตะสุภาฮะปริตตะ สุภากับอัปปานะสุภาเติมสุก็ไปอีกตัวอ่าเติมสุก็ไปอีกตัวและก็สุภกินนาหาสุภกินนาหาปริตตาภาก็อปริตตาสุภาก็ไม่ต้องอ่าอธิบายอะไรมากเป็นผู้ที่มีมีมากขึ้นสุภาเป็ว่าดียิ่งขึ้นสุภะสุภาน้อยน้อยอย่างดีอัปปาน ณนะสุภามากๆอย่างดียิ่งกว่านั่นเองอธิบายลักษณะที่มันเพิ่มภูมิตามระดับขั้นขึ้นมาจะ แ, แยกอีกร้อยชั้นก็ได้อีกพันชั้นก็ได้ถ้าจะขยันตั้งชื่อขึ้นมาจะอีกพันชั้นก็ได้คือจิตที่ดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะในขณะใดผูด้ใดมีจิตสูงขึ้นแล้วก็มีความดีถูกต้องสูงขึ้น ถ้าหลงมันก็เป็นความเลวเป็นดำถ้าไม่หลงมันก็เป็นขาวสุภะกินหะนี่แปลว่าดำกับขาวกินนหะแปลว่าดำสุภะเลยแปลว่าขาวแปลว่าดีกินนหะแปลว่าหยาบแปลว่าชั่วกินหะหรือกันหะภาษาบรีว่ากันหะแปลว่าดำแปลว่าชั่วแปลว่าหยาบกินนหะก็แปลว่าชั่วว่าหยาบอ่าเพราะฉะนั้นมันมีสภาพสองอย่างอยู่เสมอเสมอ ถ้ารู้ก็ดีในวัสุภัถ้าไม่รู้เป็นกินนาหะในวัช่วเพราะงั้นถ้าหลงตัวหลงตนจะลายเลยเพราะงั้นเทวดาหรือว่าปรอมชั้นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องเข้าใจให้ทะลุูทะลวงมาเลยถ้ายิ่งมีมากมันก็ยิ่งหลงตนมากถ้ายิ่งไม่พยายามเรียนรู้เพิ่มมันก็จะเข้าใจตนเองไม่ออกก็ยิ่งจะหลงตนมากจึงอยู่ในระหว่างกำกึง่งสุภกินนะหะอยู่ในระหว่างกำกึง่ง พรมที่มีนี่เขาอธิบายในภาษาปุรลาสถานพรหมที่มีรัศมีสวยงามออกปะ ป, ะปะปกลกันอยู่หลายอ ย, าออ ย, young, อยา่างออกปะปะพกันอยู่หลายอย่างเนี่ยก็เข้าทีมกันก็มันประปนกันอยู่ฝังดีฝั่งชั่วออกปะปะพกันอยู่หลายอย่างได้แก่พมผู้เป็นมหาราชในตัติยะชานนี่เขาเอาชานเอาชานหนึ่งชานสองชานสามมามาอ่านเอาม า, มาเทียบปริตตัสุภาตั้งแต่ปริตตัสุภาเขาอ๋อตั้งแต่ ชาตที่หนึ่งชานที่หนึ่งก็ตั้งแต่เริ่มเป็นพรหมปุโรหิตามพรผมเป็นปริศชาเลยชานที่สองทุตติยชาติชาตที่สามก็มูที่สามปริตตุภาอัปมานาสุภากับสุภกินนาหานี่ชานที่สามชานที่สามชานที่สี่ เนี่ยอพวก อ, อภิธรรมมาเสียท่าตรงนี้เองอ่ะมาเสียท่าตรงที่ว่ามันอธิบายชานห้าไม่ได้เพราะผ ม, มจบที่ชานสี่ตรงนี้เองมไม่ได้มีชานห้าผ ม, มาจบชานสี่ตรงนี้เองอาจารย์ที่สี่เวหัตภลากับอสัญยีสัตว์อสัญยีสัตตา อ, อันนี้มีสอง หมูนี้มีสองนะเวหั า, าตล า, ากับอาจารย์ยีชตาจากนะโมเหมือนกันโมชั้นที่สิบสิบเจ็ดปริอปประมาณนาสุภาเหมือนอันกูหมูสองอะไรหมูสองอปประมาณนาภาอันนี้อปประมาณนาสุภานะสุ ป, ปกินนะะเนี่ยจึงเรียกว่า ด้านหนึ่งเป็นทางด้านแสงด้านขาวด้านหนึ่งเป็นทางด้านดำเรียกว่ากินนาหะกินนาหะเพราะฉะนั้นด้านดําก็ด้านขาวหรือว่าด้านสว่างกับด้านมืดเวหัาภลาแปลว่าพวกที่เป็นด้านสว่างอสัญญาอิสตาแปลว่าพวกด้านมืดเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเป็นหลงในสภาพที่เรียกว่าหลงแสงก็เรียกว่าเวหาเวหัาภลาหลงฟ้าหลงฟ้าพวกใดเป็นหลงเนะ การที่เราว่าหลงทางด้านดับทางด้านมืดทางด้านอสัญญีสัตาคือด้านที่เรียกว่าไม่มีอะไรเลยเรีว่าติดรูปนั่นแหละยังติดรูปเพราะงั้นใครยังติดรูปถ้าจะอธิบายจริงๆมันก็คือด้าน อ, อ, อ, อารูปฌานนั่นแหละเป็นหลงอาการสานั่นใจนั่นก็คือเว ห, หาภราตแต่ว่าเขายังไม่แยกเขายังไม่แยกนะว่าเป็นอรู ป, ปชาน เพราะอรูปฌานนี่มันเดียวกันเลยที่จริงอันเดียวกันแต่เขามาอธิบายวาเป็นสั้นๆคือคนมันอธิบายมาเป็นตามระดับอาจารย์มันแยะแล้วตั้งภาษาขึ้นมาเรื่อยๆเลยเลยเลยเลเลยจะต้องมานั่งอธิบายกันหมดโดยแท้จริงมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ถึงเพอร์ขึ้นมาทั้งนั้นแหละถ้ารู้จักจิตแล้วในนี้ไม่ต้องมานั่งอะไรแต่ไรพวกนี้มันมากแต่เราก็รู้ว่ามีมากมีน้อยรู้ขนาดมันให้ได้เทนั้นก็แล้วกันถ้ามันไม่ขนาดมันไม่มากอ่าถ้าไม่ต้องมีชื่ออะไรมันก็รู้แล้วสภาว่าเติมก็ไปสิ ตั้งเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าตั้งไปแล้วก็ตั้งจนมก็ตั้งไปถึงสิบแล้วไม่มีใครอยากตั้งต่อแล้วแต่นับามเป็นสิทธิ์ี่นี้จะตั้งชื่อสิบสองสิบสาสิสี่หรือว่าร้อยสามร้อยสี่มืนสองหมื่นสามหนสี่อะไรก็ว่าไปมันก็จะมีเจตสภาพที่เรียกว่าเพิ่มเติมพวกนี้ขึ้นไปเป็น็ดชั้นนี่เป็นพรมรูปแบบรมหมดสิบเอ็ดชั้นอยู่แค่อสันยีสัตคืออันนึงหลงแสงหลงความสว่างอีกอันนึงหลงความมืดอสันยีสัตว์ อันหน่งโงรู้หมดเตลิดเรีว่าเวหาลานะอัะนนี้ก็อธิบายเป็นภาษาแบบโกราณที่สานหมดผมไม่อยากจะอธิบายเพราะใครอยากจะอ่านก็ไปอ่านเอาอ่านที่นึงซื้อเพราะอภิธรรมก็มีในนี้ก็มีไว้รวมๆไว้แล้วก็ระวังเขาไปตามเรื่องเขายัางเหลืออีกห้าชั้นคือชั้นสุดถาวะาชั้นสุดภาวาะห้าชั้นตักวิหาอตักปา สุทัศน์สีอัคนิฐางานนี้อีกห้าชั้นจับไปโมโมสุดท่าว่าเนี่ยอวิหาอัตตาสุทัศนาสุทัีอัคนิธาหรืออัคนิฐาพรมพรมที่สุดของรูกประพรมสูงสุดอ่ะสิบเ็ดนั่นหมายความว่ารูกประพรมชั้นที่แยกว่า แค่รู้สว่างใช่แค่รู้มืดทีนี้ชั้นที่จิตของผู้ใดเมื่อเป็นผู้ที่ไม่ติดยึดในเรื่องของอเศษเสี้ยวของความกำหนัดใคร่เป็นรูปราคะอรูปราคะไม่มีแล้วนะก็จะยังยึดในอุเบกขาธรรมรู้ยึดในความเมตตาปราณีจึงเรียกว่าเป็นลมชั้นสุตราวาามีแต่ให้ไม่มีตัวและชัก รอยตัวแล้วตอนนี้ชักไม่มีตัวไม่มีตนชักลอยตัวมีแต่ให้ให้ให้เขาแต่ก็ยังติดยึดอยู่หนักไปจิตที่ยังมากไปด้วยเมตตาจิตมากไปด้วยกรุณามากไปด้วยอุเบกขาอ่ามากไปด้วยพุทิตามากไปด้วยอุเบกขาเพราะฉะนั้นถ้าจิตใ ด, ดมากไปด้วยเมตตาก็เรียกว่ายังเต็มไปมากไปด้วยพรมวิหารนี่แหละมากไปด้วยพรหมวิหารทั้งหมดเนี่ย ก็อยู่ชั้นอวิหาหนักถ้าจะแยกเหลี่ยมก็แยกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากรุณาก็มาอยู่อัตตปาโมุทิตามาอยู่สุสัทธาอุเบกขามาอยู่สุสัตตีถ้าบุไดตัดเหมือนอย่างเราอธิบายฌานอวิหาเนี่เต็มไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเต็มหมดเลยทัตตี เพราะ อ, อตปาก็ลดเมตตาลงหน่อยมีแต่กรุณากบมุติตากับอุเบกขาสุทษาก็เหลือแต่มุติตากับอุเบกข า, าสุดทศสีก็เลืออุเบกขาอันเดียวส่วนอันนี้อา น, นิสอา น, นิสตพรมนั้นเป็นพรมที่เก็บเศษอะไรตกอยู่ ในเรื่องของอารมณ์จิตที่ยังมีเมตตากราุณาเมตตาอุเบกขาก็ยังเหลือเป็นตัวตนอยู่ที่อคณิทพรมตรงนั้นอคณิทพรมตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดพ้นตัดจิตล้างจิเตเศษเสี่ยวนี้ออกหมดเลยเป็นอคณิตอคณิตอะไรโซโตอคณิทคาามีอุดังโซโตเป็อนอุดังโซโตอคณิทคาามี ก็เป็นปณิธานได้ฟุงลอยเลยอุดทังอุททะแต่ว่าฟุง้งอุททะอุดทังอุดทัศเนี่ยฟุงโสโต้ก็แปลว่าลอยโสโต้ก็แปลว่ารู้โสตักโศดารู้เป็นจิตที่รู้ลอยพ้นจากอุดทังโสโตะอกคนิสทคามีพ้นจากความยึดฐานยึดถิ่นของอัคนิสตรม รู้ลอยตัวคนไปจากไม่ยึดไปถืออีกแล้วสมรู้สมชัดทุกเที่ยวทุกส่วนรู้จิตที่ยังยึดถือสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกอันจึงเป็นผู้ที่จะสู่ปรินิพานได้หรือสู่นิพานได้จะดับได้ตอนจงเป็นพุ ท, ทังโตโตอคานิสกามินนี่เป็นรูปประชานเ อ, อเป็นรูปประโรมทั้งหมดนะ อารูปประปรมทั้งหมดยังเหลืออารูปปรรมสี่อรูปประรมสี่ก็ามารวมกันไว้ที่เชิงอาจารย์คนละระดับคนละเวลามาพูดม า, มาอธิบายกันมากะก็ต่อไปเลยก็ได้ต่อเป็นอารูปประพรมอีกสี่อากาสานัญจายตนะวิญญาณญจายตนะอากินจนะัญญายตนะเนี่ยวัตัญญานาวัตัญญายตนะก็คงจะไม่ไ ม, ไม่ลำบากอะไรเพราะว่าอารูปประชานสี่นี้พูดกันอยู่มามากมามายแล้วคงไม่ ประหลาอะไรนักหนานะอารูปปัชฌานสีนี้ก็คือยึดอากาศยึดจิตที่จะระยองอุตสาล้างไปจะต้องเลยเถิดเรียกว่าเลยเถิดเพราะฉั้นเขบอกว่าอธิบายเป็นธรรมปฏิฐานขณะนี้ออกมาเลยมาเพ่งมองในต้นเสานี้แล้วมองของบนนี้ไม่ให้มีเหลือให้เป็นอากาศสภาพไปเลยมันเป็นเรื่องเกินขอบเขตนอกเรื่องเกินขอบเขตทําจิตให้มัน ให้มันไม่ยึดไม่ถือจริงๆเลยซึ่งเป็นไปได้สัะด้วยนะที่เคยพูดในฟังแล้วนะลองสะกดจิตเลยแล้วบอกไอ้ของบนโต๊ะนี่ไม่เห็นนะไม่มีมันไม่มีจริงๆมันลืมตาขึ้นมาแล้วขว้าเอาไม่ได้เลยนี่เป็นเรียกว่าพิสูจน์เทววิทยาศาสตร์พิสูจน์ทางจิตของเราเองจะทำจิตของเรเนี่ยนะมองเพ่งลายมองไม่เห็นพ้าไปเลยได้เหมือนกันแต่ยากถ้าผู้ใดมองเป่งไม่ จับไม่ยึดอะไรเลยโล่งไปหมดเลยเป็นอากาสานันจามีแสงสว่างโล่งทะลุโล่งไปหมดเลยมันก็จะเป็นจิตชนิดที่เรียกว่าเราไม่ยึดไม่เกาะอะไรแล้วมันเลยเถิดมาได้แต่ถ้าจะบอกว่าจะนั่งหลับตาชานก็จะเข้าไปอีกโฟมหนึ่งผ่านจากยึดรูปแล้วก็ล่งมันจะมีแสงสว่างโปร่งแบบที่เรียกว่าเวหาเวหัวห์พลานั่นแหละ มันจะโล่งสว่างขาวโปรงละเอียดโล่งไม่มีอะไรเลยไม่เห็นมีแต่ตัวตนเราก็จะไม่รู้สึกตัวเรามีแต่แค่จริงเรามีสัวเขาจะกลับมารู้สึกตัวเองก็คืจะรู้ว่าตัวเราเองมีวิญญาณใที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วแม้แต่ขณะนี้ก็เหมือนกันนี่อธิบายเป็นธรรมารถฐานเดี๋ยวนี้เลยแม้แต่เราทําตาไมม อ, มองไอนี่เพง่งไม่เห็นมองโปรงไปเลยจริงๆก็ตัวเราเองผิดของเราเองเนี่แหละทำํำผิดของเราเป็นให้เป็นอย่างงั้นตัวเราก็มีอยู่ไอ้นี่ก็ไม่มีเราก็ไม่มี ไม่เห็นอะไรแล้วก็มีอะไรแต่ตัวเรเองก็ยังมีวิญญาณอย่างนี้ทีนี้เอาประเภทมืดดับไปเลยจะยังไงก็ตามแต่ดับจิตไปเลยก็อาจินจัญญาญาชนะเรีออยกมันมาดูอีกทีทีท่กลับขึ้นมามันก็ไอมีอยู่กับเก่าเนี่าสัญญาณนะัญญาจะว่ามไม่มีก็ไม่ได้ต้องมีแต่ว่ามีก็ไม่ได้จะว่าไม่มีก็ไม่ได้ก็ต้องมีสิแต่ถ้าความไม่รู้มันก็ไม่มีนึกว่ามีบ้างไม่มีบ้างแต่ใจจริงแต่รู้ชัดไม่ต้องลางเลือนมันมีอยู่ เพราะว่าารณท่านบอกว่าอย่าไปดับติดเส้นอย่าไปดับสัญญาเลยให้สัญญามารับรู้อารมณ์แล้วค่อยดับเรื่องราวอย่าให้มันสูงอย่างนว่าสัญญาเวทีจิตตานิโรธพวกเราคงจะเข้าใจแล้วสัญญาเวทีจิตตานิโรธหรือยังมีใครยังไม่เข้าใจรู้ไหมก็ยังมีไหมที่ยังไม่รู้อะผมก็ไม่รู้จะอธิบายสัญญาเวทีจิตตานิโรธให้ใครฟังถ้าพวกคุณไม่เข้าใจผมก็หมดบ้องมืึกันหมดภูมิมึงไง เขาะเห่าไอ้ที่ยิ่งแต่นิโรธเดี๋ยวนี้มันก็อธิบายกลับเข้ามาเหมือนกันไอ้นิโรธสมาบัติของไอ้ที่เขเรียนติดเรื่องติดของเทระธีหรือศีรุอาจารย์คนอืนเหมือกันมันก็เลยแยกกันไม่ออกของพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายแันไม่ได้นะแม้แต่ภาษามันบอกอีู่ตรงๆก็ยังแปลกันไม่ถูกแปลกันเผินเผลอแปลกันจนกระทั่งมันไม่รู้เรื่องภาษามันก็บอกสภาวะอยู่แทะๆมันก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนอัตวาทุปาทานเนี้ย กแปลว่าไปยึดอัตตาเท่า like น no ั้นเองไม่รู้เอาวาทะของเขาไปทิ้งไว้ไหนมันเผยไม่หมดเลยอันนียสัญญาเวที่ยึดตาไม่ใช่สัญญาเวทนาซะหน่อยก็แปลไปบอกว่าดับสัญญาดับเวทนาแม้แต่สังขาก็ไม่ไปเิจใจไปเยแต่ดับเวทนาดับสัญญาไปเลยได้ถ้ารู้ว่าดับสัญญาดับเวทนาก็ได้ถ้ารู้ว่าเวทนาในเวทนาดังที่เราอธิบายกันแล้วแต่ไม่ได้ว่าดับให้ไม่มีเวทนาเลยไม่รับรู้เลยนามขันดับเปลี่ยงเป็นอสัญญาไปเลยไม่ได้ ท่นดเวสนาไปเลยหมดเลยทั้งต้นต่อนามขันเกลียงมันก็ไม่ต้องมีอะไระริเมื่อคนตายแสันตีสาสตร์ดีๆไม่ได้ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะพวกนี้มันมันมันมันขัดมันขัดตัวเองแล้วก็เขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจสภาพจริงเมื่อไม่เข้าใจมันก็ไม่รู้สภาพที่อธิบายภูมิสาม่ิเ็ดไ้ฟังหมดนี้เป็นเรื่องของปรมาถถัมทั้งสิ้นเป็นเรื่องของปรมถังทั้งสิ้น แต่นี่เข้ามารวมไว้ในนี้เขายังไม่นับเข้าปรามัดนันี่เขายังถือว่าศพเส ม, มุทดก็จริงของขาวเพราะเขาอธิบายไว้เนี่ยทั้งหมดในภูมิทังสดนี่ก็เป็นสมุดเขาจะเริ่มต้นอธิบายปรามัตธรรมในตั้งแต่เนี่ยชิดแปดสิบเก้าดวงเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดนิพพานหนึ่งนี่เขาจะเริ่มต้นขึ้นมาอาไว้วันหลังจะเอามาสอน